กราบหนึ่งกราบสองกราบสามนะครับในวันนี้ซึ่งทางบ้านลานเสียงธรรมนะครับและกคณ ะ, ะเจ้าห น, น้าที่ทุกท่านนะครับได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงจา ก, าจากพระอาจารย์คริกริตโสธิพโร ท่านะนเป็นเจ้าวาดวัดนาป่าพงศ์จังหวัดปทุมธานทีทั้งที่วันนี้พระอาจารย์ท่านก็มีกิจนะต่างๆมากมายนะครับในวันนี้แต่ท่านก็ได้เมตปาให้กับสาธุชนนะที่อยู่ใกล้เคียงในเขตลาดพร้าวนะพร้อมทั้งสาธุชนทุกๆ ท, ท, ท่านนะในวันนี้ก็ข อ, อในช่วงต้นก็ข อ, ขอกราบนะ้นำมัสการพระอาจารยนะ์ช่วยให้ธรรมะพุทธวจนะ สืบต่อไปข อ, อกราบราตนาครับได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเรา <c oughs> <c oughs> การเกี่ยวข้องกับสมณะเนี่ยนะประโยชน์ในการเกี่ยวข้องกับสมณะพระตถาคตเนี่ยที่พระองค์ตรัดไว้ก็คือการได้ยินได้ฟังธรรมเพื่อให้ได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังดังนั้นวันนี้ก็จะมาให้พวกเรา ได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสมณะลูกศิษย์รัตถาคตเนี่ยจะต้องทำอะไรอันดับแรกยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมก่อนก็คือประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งแต่หลังฉันไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรี ยามที่สองนอนยามที่สามตื่นตื่นมาแล้วก็ให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนทั้งเช้าถ้าจะเผยแผ่ให้เผยแผ่คำของใครพระองค์ให้ประกาศคำของตถาคตแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกหนึ่งอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าสองผู้ที่ประกาศคำตาตถาคต 3. จสาม ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทําในคำตถาคต 4. ผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคตหผู้มีความกตันยูกะตะเวทีดังนั้นวันนี้ก็มาทาหน้าที่ของสมณศักยปุตติยะบุตรของสมณะในศักยตระกูลก็คือบุตรของพระตถาคตมาประกาศคำของตถาคตนั่นเองอะไรที่เราเคยรู้มาแล้วก็จะได้มา ตรวจสอบสอบทานกันอีกทีว่ารู้มาเนี่ยถูกต้องดีไหมหรือว่าถ้าผ you ิดพลาดคลาดเคลื่อนก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปก็จะให้โอกาสพวกเราได้ซักถามในข้ออาจข้อถามที่สงสัยพวกเราจะได้มีความเข้าใจ จริงๆแล้วสิ่งที่เราทราบกันมาหลายเรื่องนะเป็นสิ่งที่ถูกบ้างผิดบาง อ, อย่างถ้าาตมาถามพวกเราที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังพุทธวจน ะ, ะหรือที่เคยเรียนมาทู้เจ้าแบ่งมนุษย์เป็นบวกกี่เหล่าเนาะสีเหล่าลหรอ แต่จริงๆแล้วพระสาสดาตัดไว้แค่สามเหล่าอยากให้พวกเราดูในพระสูตรนี้น <c oughs> พระองค์ตัดไว้กับราชะกุมารตัดไว้แค่สามเหล่า <c oughs> เราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุแล้วเราได้เห็นสัต เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้างมากบ้างอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญตริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ยำจมอยู่ในน้ําบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้โปร่ขึ้นพ้นน้ํา อันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นหนึ่งจมน้ำตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วหมดแล้วสามเหล่าไม่รู้ใครขยันไปเติมเห็นไหแล้วเราก็เรียนกันมาตั้งแต่ประถมมัธยมเลยบัวสี่เหล่าเห็นไหอ่าค่อยๆแก้ใหม่นเะออ มีอะไรอ่ะศาสนามีอายุกี่ปีเนาะ 5, หะ้าพันปีเหรอกี่พันปีอายุศาสนาทั้งหมดมีกี่ปีเนะสองพันหร้อยแล้วจบแค่นี้มะแล้วจะอยู่ไปได้กี่ปีเนาะ 5, หะ้าพันเหรอมีม้ที่พี่เจ้าบอกหนะ้าพันเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีตรวจสอบนะ เราลองสแกนคำว่าห้าพันปีเราก็กดค้นหานะอ่าเรากดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาไหมไม่ใช่นะมันอยู่ในคำว่าสองพันห้าร้อยนะอ่าคอมพิวเตอร์มันก็เลยคว้ามาให้ด้วยสองพันสองหมื 2, ่นห้าพันนะ เอาตัวเลขห้าพันมาด้วยเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีที่อายุพระศาสนาห้าพันปี เ, <c oughs> เคยได้ยินแปดหมืนสี่พันพระธรรมกรันมเคยพเจ้าเคยพูดไหมพระเจ้าไม่เคยพูดหรือไม่พูดลองดูตัวนี้เราก็สแกนให้ดูแปดหมืนสี่พันพระธรรมกรันไม่พบคาว่าแดหื่นสี่พันพระธรรมกรันในพระไตรปิฎกบาลีสามรัตน ไม่มีเลยไอ <c oughs> ้ข้อมูลพวกนี้มาจากไหนเนี่ยนะใครมันแต่งขึ้นหรือเปล่าข้อมูลที่ให้โยมดูในจอโปรเจคเตอร์เนี่ยนะเอาไล่ไปตั้งแต่ข้อมูลในในพุทธศาสนาในปัจจุบัน เ, นเวลาเวลายมไปตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ย โยมจะไปเจอพระไตรปิฎกใช่ไหมพระไตรปิฎกตามวัดที่โยมเห็นเนี่ยเคยเจอเล่มแบบนี้ไ้ม91เล่มของมหามุกุนใช่เล่มอย่างนี้จะมี4ผ้าเล่มของมหาจุฬาลงกรณราชิุดาเชยไหล2สำนักใหญ่นี้ถามว่า2สำนักนี้เข้ามาจากไหนนี่เข้ามาจากตัวนี้บาลีสยามรัฐ ที่ขึ้นให้พวกเราในจอโปรเจคเตอร์คือตัวนี้นะต้นต่อของสองสำนักใหญ่นี้นะสองสำนักนี้ใครเป็นคนตั้งรัชกาลที่หเป็นคนตั้งบาลีสยามรัฐเป็นคนทำรัชกาลที่5เหมือนกันนะรอห้านิมนต์พระมาร้อยกว่าลูกทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วแล้วช่วยให้แปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามแปลพระตะบิดก จากอักษรขอมมาเป็นอักษรสยามเป็นการทำพระไตรปิฎกที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกรัชกาลที่5แจกไป260กว่าแห่งทั่วโลกและแจกไปทุกวัดทั่วประเทศนะแล้วก็ไล่เลียงมาจนถึงปัจจุบันเราปัจจุบันนี้ได้ข้อมูลทางคุตธศัสนามาจากฐานล่างตัวนี้นะและตัวนี้ที่บอกเอามาจากอักษรขอมเนี่ยอักษรหอมเอามาจากไหน อุดมาได้หรือไงหรือเอามาจากไหนรัชการที่หนึ่งนะเป็นคนนิมนต์พระมา200กว่าลูกประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชญคือวัดมหาธาตุยุราลังสลิปัจุบันนะให้ลอกพระตาบิดกใหมนะ่ด้วยการยืมพระตาบิดกจากประเทศลาวและประเทศรามันคือพม่ามาเพราะ <c oughs> ช่วงนั้นอยุธยาถูกเผาข้อมูลหมด ประเทศไทยไม่มีพระดาบิดกราชการที่1ต้องทำหลักฐานทางพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ก็ยืมจากประเทศข้างบ้านนะแล้วนำมาลอกใหม่ทั้งหมดใช้พระ200กว่ารูปนี่ทำใช้เวลาอยู่6เดือนเต็มราชการที่หนึ่งไปถวายอาหารพระ200กว่ารูปนี้ในตอนเช้าและถวายน้ำปะนะในตอนเย็นทุกวันตลอด6เดือนงานนี้จึงเสร็จ เป็นตัวนี้นะอักษรของจานลงในใบลานและรอห้าอวตารทำเป็นหนังสือนะไม่ทำในใบลานเพราะว่ามันแพงและทำได้ช้าและเทคโนโลยีการทำหนังสือเข้ามาครั้งแรกในประเทศไทยจึงทำเป็นรูปแบบหนังสือเลยอนะิมได้กี่คราวละมากๆอันนี้ ราชกาลที่หนึ่งและประเทศในแถบสุวรรณภูมิเอามาจากไหนเอามาจากสมัยยุคทวาราวดีทวาราวดีเอามาจากไหนเอามาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชถ้าเราไปประเทศอินเดียจะเจอเสาหินโศกใครเคยไปบ้างนอคงเคยไปกันบ้างได้ไปดูเสาหินโศกไหมไปดูนี่คือภาพเสาหินโศกที่ถ่ายมา อักษรตรงเสาหินสศกนี้เรียกอักษรพราห ม, มีภาษาปรากิตเป็นต้นกำเนิดของอักขระอินเดียในปัจจุบันหลักฐานทางพุทธศาสนาเอามาจากตรงนี้นะพระเจ้าโศกเนี่ยศรัทธาพระศาสดาศรัทธาศาสนาพุทธอยู่ช่วงไหนของพระพุทธเจ้าอยู่ประมาณสองปีหลังพุทธเจ้าปริณิพานสองชั่วยุคน ยังพอเห็นหน้าเห็นหลังกันรุ่นทวดรุ่นทวดนะรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นทวดนะพนะระเจ้าโศกจึงส่งสมณทูตไปก้าวสายกระจายไปทั่วโลกที่นื้ที่หนึ่งมาในสุวรรณภูมิประเทศในแถบสุวรรณภูมิเก็บเอาไว้นะตกทอดมาจนถึงรัชกาลที่หนึ่งตกทอดมาถึงรัชกาลที่ห้าตกทอดมาถึงรัชกาลที่เก้า ดูเทคนิคในการเก็บข้อมูลพระเจ้าโศกเก็บในอะไรเสาหินนะรอ1นเก็บในใบลานรอ5เก็บเป็นหนังสือรอ9เก็บเป็นซีดีนะนะมันปรับมาเรื่อยๆนะอาจารย์คลิกลิ์เก็บในแอปพลิเคชันนะกระจายไปทั่วโลกอีกเหมือนกันนะตอนนี้ร่างที่มาบวถชั่วคราวที่วัด จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมก็เลยทำแอปพลิเคชันให้โดยนำข้อมูลในบาลีสามรัฐทั้งหมดนี้ไปบรรจุลงในแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งถ้าโยมเนี่ยใช้พวกสมาร์ทโฟนพวกแท็บเล็ตพวกนี้ของระบบของ Android กับ Apple นะโยมคีย์คำว่าพุทธวัจนะเข้าไปเข้าไปใน App Store หรือว่า Android Market โยมจะได้ข้อมูลเก่าที่สุดในโลก คือบาลี3มรัฐภาษาบาลี45เล่มและภาษาไทย45เล่มพนะ <c oughs> ร้อมโปรแกรมในการสแกนตรวจสอบดังนั้นระบบการตรวจสอบมันไม่เคยถูกกระทามาจนถึงหนะ้าวันนี้เรามีวิธีตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยโยมต้องไปนั่งเปิดอัตตาบิดดกี้ทีละหน้า ยมจะหาคำว่า8ป0 0มื่พันพระธรรมขันธ์ว่ามีหรือไม่มีเปิดไปเก้าสบเอดเล่มกว่าจะเจอแต่ตอนนี้เรากดวินาทีเดียวเจอแล้วใช่ไหมว่ามีหรือไม่มีง่ายมาง่ายขึ้นเยอะนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายความเชื่อมากนะสิ่งที่เชื่อกันมาเป็นร้อยปีกับสิ่งที่ถูกบันทึกตกทอดกันมา2 5 0 0ัน้ากว่าปีเอาละมายันกันลนะนะ ว่าพุทธศาสนาที่เราดำเนินมาทุกวันเนี้ยอันไหนถูกอันไหนผิดใช่ไ้มอย่างโยมบอกว่าไปทำบุญแล้วดีฉันจะต้องอุทิศบุญกุศลด้วยการอะไรขวดน้ำนะะวิ่งขวดน้ำกันเต็มเลยตกลงแล้วขวดน้ำผู้เจ้าสอนป่ะนะอ่าลองสกแกนให้ดูขวดน้ำนะแล้วก็กี่คำว่าขวดน้ำเข้าไปขวดน้า กดค้นหา <c oughs> ไม่พบคาว่ากวดน้ำในพระตรปิฎกนะแต่พระองค์สอนเรื่องอุทิศบุญคุศลมะสอนอยู่ในไหนอ่าไปดูพระสูตรอยู่ในเรื่องของทิศหกที่บุตรควรทําต่อมารดาบิดาผู้ล่วงลับ น, <c oughs> นี่ เมื่อท่านทํากาะละร่วงรับไปแล้วเราจะกระทําทักษิณาอุทิตท่านทิศเบื้องหน้าคือมานาบิดาอันบุตรพึงปฏิบตัติต่อโดยฐานะห้าประการท่านเลี้ยงเราแล้ ว, ลวเราจาักเลี้ยงท่านเราจักทำกิจของท่านเราจักดำรงวงสกุลเราจักปฏิบตัติตนเป็นทา ย, ยาท ก, การอุทิศสอนอยู่แต่วิธีการทําอย่างไรไปดูอีกสูตรหนึ่งไม่ต้องวิ่งเตรียมน้ําเตรียมแก้วพระองค์ตรัสกับวาเสตถะโยมต้องเตรียมอะไร กลับไปเตรียมจิตของเราให้ปราศจากนิวรณ์ห้ากรรมฉันทะพยาบาทผีนมิทะอุทธัจจกกุกกุจจะวิจิกิจฉาห้าอย่างตกลงแล้ววิ่งเตรียมกันผิดใช่ไหมต้องเตรียมใหม่เตรียมจิตตัวเองนะอ่านี่เมือ่อภิกษุมองเห็นนิวรณทั้งห้าเหล่านี้ที่ตนละได้แล้วปราโมทเกิดปิติเกิดนะ ด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ทิฏฐิหนึ่งสองสามสี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่าและเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาเป็นจิตไม่มีเวรไม่มีพยาบาทกว้างขวางประกอบด้วยคุณนันใหญ่หลวงไม่มีขีดจํากัดแล้ว赖อยู่วาเสตะเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกําลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสีทิศโดยไม่ยากจันใดนะเมตตาเจตุลก็เหมือนกัน <c oughs> ดังนั้นการสร้างเหตุปัจจัยอะไรแล้วจะให้ผลอะไรใครเป็นคนรู้จริงพระภูมิพระภาคเจ้ารู้จริงนะก็ เ, เลยอยากให้กลับมาศึกษาพุทธวจนะดังนั้นพุทธวจนะไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องสัจจะความจริงที่ทุกคนต้องเข้าไปรู้จะได้รู้ว่าสร้างเหตุอะไรแล้วจะได้ผลอะไร โยมผู้หญิงอยากสวยอยากรวยอยากสูงศักไหมถ้าอยากคุณจะทําอย่างไรไปบนศาลเจ้าพ่อนั้นไปบนเทพเจ้านี้ไปขอหลวงพ่อนั้นไปแก้กรรมสะดอกเคอะจะได้มาไหมไม่ต้องนะพระเจ้าถากฎให้ทําอย่างไรไปดูพระสูตรพระนางมาลิกา <c oughs> บอกพระนางมลริกาเธอต้องไม่อะไร ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความพับแคลนใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธหรือความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ประกฏและเป็นคู่อะไรให้ข้าวน้ําผ้านะยานพานะนะของหอมเครื่องลูกป้ายที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแกสะสำนัหรือปราง ถ้ามาตุความนั้นจุติคือตายจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิพวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพกสมบัติมากและสูงสค์ตกลงการได้มาซึ่งทรัพย์นิยมต้องทําอะไระต้องฝึกกายวาจาจิตของตนเองให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยอย่างนี้นะ หรือยอมให้ทานทานของสัตว์ประหุษให้อย่างไรนะให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่จะพึงมาถึงแล้วให้รู้ว่าการให้ได้ผลเชื่อมั่นในกรรมกา ร, การกระทํามีกรรมมนะีและผลตอบสนองคืออะไรนะ <c oughs> สัตว์ปรุษย่อมให้โดยเคารพ โดยอ่อนน้อมด้วยมือของตนเองนะไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่จะพึงมาถึงให้ผลของมันจะส่งผลอะไรบ้างจะส่งผลให้เราเป็นผู้มีทรัพย์มากมีโพคามากบริวารชนของเขาเหล่านั้นจะเชื่อฟังถ้อยคำคำสั่งลองดู รั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพคามากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นบังเกิดผลเนี่ยเราบางส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะทราบว่าการให้ทานเนี่ยส่งผลให้เป็นผู้มีรูปร่างสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสและผิวพรรณงามเรามักจะรู้แต่ว่าให้ทานเราได้มาสิ่งโพคทรัพย์และมีอย่างอื่นอีก และเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเนี่ยโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใครรู้ในที่ที่ทานนั้นบังเกิดผลเห็นนะลูกน้องเราบุตรภรรยาเราจะเชื่อฟังคำสั่งของเรานี่เป็นผลจากการให้ทานยังมีอีกเยอะมากดังนั้นนี่คือการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้อง ยมต้องวิ่งไปสะดอกเราะบูชาอะไรต่ออะไรไหมไม่ต้องนะทำแล้วได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระตถาคคตรัดว่ากรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครบันดาลให้ใครเป็นอะไรอย่างน้นอย่างนี้ไดนะ้เมื่อเราเข้าใจผิดตรงนั้นเนี่ยนะก็จะส่งผลให้ เกิดการบนบานสรรกล่าวสะดอข้อดูเลิกดูยามแก้กรรมกันแบบผิดวิธีกันถูกต้องไหมเพราะเข้าใจผิดในหลักของกรรมหลักกรรมสี่อย่างที่พระโสดาบันจะต้องละได้คืออะไร 1. กรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล 2. กรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาล 3. กรรมไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น 4. กรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ แล้วกรรมเกิดจากอะไรตอบได้ไหมกรรมเกิดจากอะไรชาวพูดทั้งหลายน่รฐฐาตถาโคตบอกว่ากรรมเกิดจากผัสสะนะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่แหละผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำที่ไม่จริงสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วย ใครพูดอย่างนี้ตามพระตราคตก็จะไม่ถูกตําหนิเพราะชื่อว่ากล่าวตรงตามที่พระตราคตกล่าว <c oughs> ถอยรถไปทับลูกสุนัขตายไม่ได้เจตนาในี่บาปไหมเป็นกรรมไหมบ้างก็ว่าเป็นบ้างก็ว่าไม่เป็นตกลงแล้วเป็นหรือไม่เป็นกันแน่นะ เ ป, เป็นเป็นหรืออ่าเป็นแต่เล็กน้อยเพราะเหตุอะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาไม่ใช่อะ <c oughs> ไปดูกรรมคืออะไรเรื่องควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมหกอย่างรัฐธรรมนตตัดไว้อันดับแรก <c oughs> ต้องรู้ว่ากรรมคืออะไรภิส <c oughs> ูจทั้งหลายเราเปล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทําซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะย่มไม่มีเจตนาเป็นกรรมไหมไม่เป็นกรรมไม่เจตนายมลองไปสแกนดูจะไม่เคยพัตถาคตไม่เคยพูดเรื่องกรรมไม่เจตนาไม่มีเพราะพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะและเหตุเกิดของกรรมก็คือตัวนี้นะนี่ฐานะสัมภาระไปว่าเหตุเป็นแดนเกิดก็คือภาษสะ เหมือนกับพระสูตรเมื่อกี้ไหมเหมือนกันคําตถาคตจะสอดรับกันไม่มีการขัดแย้งกันทั้งสิ้นนะเพราะนั้นถ้าเป็นคําพระศาสดาจะขัดแย้งกันไม่ได้จะสอดรับกันทั้งหมดและแก้กรรมได้ไหมตกลงแก้กรรมได้ไหมนะได้บางก็บอกไม่ได้อ่าไปดูพระสูตรนี้กรรมแก้ได้ไหม อริยอัตถังคิกมัคนี้นั่นเองเป็นกรรมะนิโรธาคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เลยแห่งกรรมนี่ไงกรรมแก้ได้ด้วยมัคมีองค์แปดวิธีเดียวโยมจะไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายนอนในโรงผ้าขาวคุมรดน้ำมนต์ไม่มีทางแก้ได้กลับมากำยังเหมือนเดิมนะนั่งลถไปสกยเลยไปนั่งแก้กรรมกลับมากำเหมือนเดิมตกลงแล้วไปเสียเปล่า เสียเปลืองน้ำมันเปลืองเงินใช่ไหมเพราะอยู่บ้านนั่งเจริญอนาปานู้ลมลมเข้าลมออกมักมีองค์แปดรักษาสินให้ดีนั่งสมาธิสำเร็จประโยชน์แล้วและนี่คือคำของศาสด า, า, าของเรานะดังนั้นมันท้าทายความเชื่อเราในะปัจจุบันเนี่ยเยอะมากนะโยมนะเพราะเราไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะดังนั้นพุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระศาสด า, าของเราโดยตรง ไม่ใช่ว่าเรื่องยากหรือเรื่องง่ายมันคือเรื่องความจริงที่เราชาวพุทธต้องรู้จะได้ปฏิบัติถูกต้อง <c oughs> มาดูว่าอริยะคือประเสริฐอัดถังก็คือแปดคิกามะ ก, ก็คือหนทางนะทางแปดประการอันประเสริฐนี้นั่นเองเป็นกรรมะคือกรรมนิโรธคือดับข้ามนิปริติปทาปฏิปทาให้ถึงความนิโรธดับแห่งกรรมะกรรมตร ง, ตรงๆเลยนะ ข้อปฏิบัติ8ข้อนี้คืออะไรสองข้อแรกส่งเคราะห์ในส่วนของปัญญา3ข้อกลางส่งเคราะห์ในส่วนของศีลสข้อท้ายสงเคราะห์ในส่วนของสมาธินั่นคือปัญญาศีลสมาธินั่นเองถ้าพระองค์ตัดเหลือสามจะพูดศีลสมาธิปัญญาเอาศีลขึ้นก่อนถ้าพูดยอ่อมรก8เหลือสองจะพูด สมาธิขึ้นก่อนคือสมถะกับวิปัสสนานะไม่พูดเรื่องศีลเพราะขณะที่สมาธิสมบูรณ์ศีลครบแล้วนะกายวาจาไม่ผิดอะไรขณะที่โยมนั่งสมาธิกายวาจาบริสุทธิ์นะมรรคแปดสมบูรณ์นี้เป็นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องวิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นนะ <c oughs> มีพระสอนเยอะไหมเนี่ยน้อยนะ เรียกโยมมาแก้กรรมบอกโยมต้องปฏิบัติมรติองค์แปหาไม่ค่อยเจอตกลงแล้วคนอื่นแก้กรรมให้โยมได้ไหมไม่ได้โยมต้องกลับมาแก้เองด้วยการฝึกกายอย่างนี้วาจาอย่างนี้ใจอย่างนี้ใช่ไหมเห็นการเกิดดับคือสมาธิฐิสัมมาสังกปะคือทิ้งความคิดอกุศลสามอย่างการพยาบาทเปียนเบียนสัมมาวาจาก็คือการไม่พูดโกหกคาหยาบเพื่อเจาะส่อเสียด4อย่าง สัมมากรรมตะคือศิน5้าสามข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมสัมมาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ประกอบด้วยการเบียดเบียนสัมมาวายามะก็คือการละอกุศลอกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นความเพียร4ี่อย่างอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วต้องละไปกุศลที่ยังไม่เกิดสร้างให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วประคองรักษาไว้สัมมาสติ ตั้งจิตไว้นในกายเวทนาจิตธรรมคือสติปัฏฐานสสัมมาส ม, มาธิก็คือการเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌ า, จย า, านจตุตฌานสี่ฌานนี้คือสัมมาส ม, มาธิในมรรคมีองค์แตกลงแล้ว8ข้อนี้ใครทำให้เราได้ไหมไม่ได้นะต้องทำเองนะตกลงแล้วกรรมเราต้องแก้กันเองนะอ่าก็คือฝึกกายวาจาจิตของเรานั่นเองนะ ปี น, นี้ได้ไปหลายเรื่องเหมือนกันนะเราสวดมนต์มาก็เยอะเนาะใครสวดมนต์กันทั้งนั้นใช่ไหมเช็คตรวจสอบดูหรือยังว่าสิ่งที่สวดเป็นพุทธวัชนะหรือเปล่ายังไม่ได้เช็คเหมือนกันเนาะตกลงแล้วพระตถาคตสวดอะไรพระตถาคตของเราเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวพระองค์สวด กฎอิท <necessary. S 2> <am> ัพป e ัจจยตาสี่บรรทัดเองยังไม่ต้องไปสวดอะไรมากสวดตามพระพุทธเจ้าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอีทังอุปาชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอะสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้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 เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานพบชาติฉลาโมนะไล่มาจนความแก่เจ็บตายนี่คือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายนั่นเองตายเกิดมาได้อย่างไรศาสนาสวดตรงนี้และสวด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 ไม่ถึงห้านาทีสวดเสร็จแล้วใช่อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเดินตามรอยพระบาทศาสดาเราก็เดินตามนี้ตรงเป๊ะนะใครบอกผิดสอนไม่ตรงกับศาสดาต้องกลับมาให้ตรงกับศาสดาไม่ใช่ให้ศาสดาเปลี่ยนไปเหมือนของท่านเพราะท่านเป็นลูกศิตยตถาคตถูกต้องไหมอ่าต้องรู้ว่าใครที่นี่ใครใหญ่ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าใหญ่นะพระ อ, องค์เป็นพระสังฆบิดาของ ภิกษุทุกรูปในโลกเป็นคนแรกที่ประกาศธรรมะตรงนี้อริยสัตตสีนะ <c oughs> ให้เราดูนิดหนึง่งไปดูสายเกิดเราจะได้เข้าใจว่าอิทัพปัจจยตามันเกี่ยวอะไรกับปฏิจจสุบาทเมื่อกี้เราจำได้ใช่ไหมสี่บรรทัดเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมาดูนะ ย่อมรู้จักผัสสะใช่ไหมผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาย่อมมีเห็นนะเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาย่อมเกิดขึ้นเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจะไม่มีเพราะการดับไปแงผัสสะเวทนาจะดับไปอย่างนี้ดังนั้นเวลาย่อมมีตากระทบรูกผูกระทบเสียงสิ่งที่จะตามมาคือเวทนาพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉเห็นนะทุกคนตรวจสอบได้เพราะมีลูกตาเหมือนกันนะทุกกู่นะ มีหูเหมือนกันมีอายตนะฝลังเหมือนกันไหมเหมือนแครเหมือนไหมเหมือนขอให้เป็นมนุษย์ขอให้มีลูกตาเหมือนแน่นอนนี่คือความจริงไงนะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเนี่ยเพราะเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งเวทนาตัณหาจึงดับไป โยมไปเดินห้างตาไปกระทบเสื้อแหมพอใจเวทนาเกิดเกิดอะไรตัณหาความอยากอยากได้ใช่ไหมอ่าตรวจสอบได้เลยเดินห้างยังตรวจสายปฏิจจาได้เลยเห็นะและถ้าโยอมสามารถดับเวทนาตัณหาเกิดได้ไหมไม่ได้พอโยมพอใจเสื้อตัวนี้แต่เข้าไปดูใกล้ๆกอ้าวเสื้อขาดในหนา ยอมหมดความพอใจเลยตัวนี้ไม่เอาวางตันหาหมดไปเลยเห็นนะไม่อยากได้ละเพราะอะไรเพราะเราเห็นอาทธีนวะคือโทษของมันจะเกิดการปล่อยวางดังนั้นบุคคลใดมาตามเห็นโทษของสิ่งใดบุคคลนั้นจะถอนอุปทานในสิ่งนั้นได้เราจึงต้องตามเห็นโทษของรูปกายคือมันเน่าเปื่อยหุสลายเป็นอุจละปัสสาวะนะ เหลือแต่กระดูกเอ็นน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วก็ปรุงไปนะเพื่อให้เห็นโทษของมันเข้าใจั้ยนี่แหละดังนั้นปฏิจจสุาะตลอดสายนี้จึงประกอบด้วยอิทับปัจจิตตาแต่ละคู่แต hmm ่ละคู่ใช่ั้ยและแต่ละคู่นี้เชื่อมโยงกันคู่นี้สลายจะนะเป็นเหตุให้เกิดมีผัสสนะตรงนี้ผัสสะให้เกิดเวทนาแนวทะยงนเนี่ยมันเชื่อมกันเห็น ดังนั้นตรงนี้จึงเกี่ยวพันกันทั้งหมดเหมือนโซ่ในคล้องกันไว้หมดไปจึงเป็นสายปฏิจจกนะ <c oughs> ถ้าสลายณะคืออะไรคืออายตนะภายในหกภายนอกหกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสประสาทธรรมรมตากระทบรูปหูกระทบเสียงอกคู่จึงเป็นผัสสะ ถ้าสลายยนานตระไม่มีภาษามีได้ไหมไม่ได้เป๊ะเลยนะนี่พูดเรื่องความจริงเลยถอยขึ้นไปอีกกระด็นแล้วสลายยนานตระมันเกิดมาจากอะไรลูกตามันเกิดจากอะไรถ้าสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมนั่นคือตัวนามรูปใช่ไหมนี่เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลา ย, ยนะถูกต้องไหมเป๊ะนี่ผู้เจ้าลากไปถึงตัวธาตุเลยทั้งก้อนกายเอามาจากธาตุอะไรดินน้ำไฟลม ความเป็นเราไม่ได้มีแค่ก้อนกายมีเวทนาสัญญาสังขารนั่นคือตัวนามจึงมีนามรูปตัวธาตุต้องมีก่อนสลายนะจึงมีและนามรูปเนี่ยตัวธาตุมีเพราะอะไรมีเพราะวิญญาณเข้าไปรู้มันวิญญาณเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีวิญญาณเข้าไปรู้นามรูปก็เท่ากับไม่มีนะของมันมีอยู่แต่ถ้าจิตไม่เข้าไปจับก็ไม่มี ความเป็นเราเนี่ยมันมีทั้งความคิดอดีตอนาคตสุขทุกข์ขณะที่ยมรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยไม่ได้คิดอะไรตัวท่าต่างๆมันก็ยังมีอยู่นะแต่จิตไม่ไปรับรู้เท่ากับมันไม่มีเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกสักพักหลุดไปคิดขณะที่หลุดไปคิดไม่รู้ลมแล้วนะเห็นไหขขณะที่หลุดไปคิดไม่รู้ลมเพราะจิตเปลี่ยนการรับรู้ ไปรับรู้นามธรรมการรับรู้ลมหายใจคือรูปราธาตุจึงดับนามเกิดดึงจิตกลับมาที่ลมนามดับรูปเกิดเห็นการเกิดดับรูปนามแล้วเห็นไหมตัวธาตุมีอยู่แต่จิตไม่เข้าไปรู้มันก็ไม่มีการมีของธาตุคือนามรูปนั้นนั้นจึงมีเพราะการรับรู้ของวิญญาณ น, นั่นเองนะ และทั้งหมดนี้มีเพราะอาวิชชาคือไม่รู้ทั้งหมดนี้ถูกเรียกว่าสังคารทั้งหลายมีเพราะไม่รู้นั่นเองนี่เป็นอย่างนี้สายปฏิจจา์ลองไล่กันนะต้องจำให้ขึ้นใจก่อน น, นั่นี่ต้องอยู่ในหัวเลยนะพระองค์จึิงบอกว่าพุทธวจนะคําของตถาคตต้องทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็ น, น พระองค์จึงไม่ให้เราไปฟังคําของคนอื่นเลยพระองค์จัดไว้เองว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกาปรนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวก<อ>เมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนคําสาวกคําที่แต่งใหม่อย่าไปฟังอย่าไปศึกษาอย่าไปเล่าเรียนศาสดาบัญจัติไว้สูตรนี้เราไม่เคยทราบอัตมาก็ไม่เคยทราบเข้าวัดมาตั้งแต่ปีสองสองก่อนบวชสิบสปีบวชมาแล้วสี่ปียังพึ่งรู้นนเนี่ยนะพึ่งมาศึกษาเมื่อสิบกว่าปีนี้เองนะเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเพราะเราศึกษาแต่คําของสาวก เราเลยไม่รู้ว่าพระตถ า, าคตสั่งอย่างไรบ้างนี้เป็นปัญหาของพระและก็อุบาสกอุบาสิกาทุกคนเลยในพุทธบริษัทเรานะและพระองค์ตรัสกลับกันว่าสนสุตตันตะเราใดที่เป็นคำของตถ า, าคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยคูณศึกษาเราเรียนเห็นไหมถ้าพระสูตรนี้ชาวพุทธเราหนักแน่นในตรงนี้เนี่ยเราจะศึกษาคำตถาคตกันทั้งหมดแน่นอนอาตมาเชื่อเพราะไม่มีใครอยากคัดค้านคำพระผู้มีพระภาคเจ้านะ <c oughs> คำของพระศาสดาที่ออกมาจากปากเนี่ยเป็นถ้อยคาที่ไม่มีข้อผิด ตถาคตจัดไว้กับอคิเวสนาว่าอคิเวสนาจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในโดยแท้นั่นคือพระองค์กําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวคําแรกจนกระทั่งคําสุดท้ายเลยนะนี่คือความสามารถของตถาคตที่เราเองไม่ค่อยจะทราบกันความสามารถอีกอย่างพระองค์จัดว่า ภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งลาตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ่อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิน้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำพระตถาคตขัดแย้งกันไม่ได้ดังนั้นสายนิกายมีในศาสนาพุทธได้ไหมมีไม่ได้มีไม่ได้ มีหนึ่งเดียวพุทธศาสนา ต, ต้องมีหนึ่งเดียวคือทรรมวินัยที่พระธราคตบัญญัติไว้ดีแล้วนะจเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปห่งเรานะนอกจากนั้นคำพระตราคตยังเป็นอาการิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาเหมือนปฏิจจสุบัตเนี่ยนะพูดมาพระองค์พูดมาสอง 2,000 ันกว่าปี อาการจิตมนุษย์เมื่อ 2,000 กว่าปีก็มีอย่างนี้มนุษย์เมื่อ 2,000 กว่าปีก็มีลูกตาใช่ไหมมีหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเราและจะเกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหากระทานเหมือนกันไหมเหมือนกันผ่านมา 2,000 กว่าปีมนุษย์ยังมีอย่างนี้เหมือนไหมเหมือนหลังมีไหมแขกมีไหมมีนะอัตมาไปบรรยายให้อิสลามอิสลาม ย, ยังชอบเลยเไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเลือนี้นะอ่าเพราะอิสลามก็ปฏิเสธไม่ได้นี่เหมือนกัน ดังนั้นธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นปัจจต่างคือรู้เฉพาะตนนะและเป็นสิกขีปูตโตคือเป็นพยานในตนเองได้เป็นพยานเราได้ทายจะมาบอกไม่จริงไม่ฉันเห็นกับตากับจิตของฉันเลยนะเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามตา ม, ตามกันมา เด็กๆรู้ได้ไหมพุทธวจนะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปวิดีโอนะน้องนำวุนอายุ7ขวบห้องพุทธวจนะจ้อยจ้ ย, จยเลยนะักถามในคำตถาคตนะผู้เจ้าพูดอย่างนี้หมายถึงอะไรอะไรนะและมีการสธทยายปฏิจจ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเขวบพ่อเป็นชาวอเมริกรันพูดพุทธวจนะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะแล้วเาก็ชวนกลุ่มเด็กๆ เ, เข้ามา ต้องคำพระาศาสดาชวนมานั่งสมาธิน ะ, ะมันอยู่ที่พ่อแม่ปลูกฝังไหมนะลองไปดูวันนี้ไ้ด้วยก่อนอด้วยกันน่งรุ้นเหรอ มีพะสูตรไม้น้ำวุ้นว่ามาเลยมีค่ะไปถ่องทานได้สองร้อยสี่ค่ะสองร้อยถอมทาไร้ยังไงเนาะอุ๊บิสวดทั้งหลายอนานาปานัสติสมาธิอับุคคละเล้วทาให้มากแล้ว ก็เป็นของรับนัดเป็นของเรานีเป็นของเองกินเป็นสขารวิหารและย่อมยังอภิสรรค์าทางไปเป็นบาที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึแล้วให้อจาจารย์ถ่านไปโดยควแก่ถานอาตได้ขัดอัตสำมารปรังพิทติ oh. เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนาทิขยาลาคคโยเพราะความขึ้นไปอย่งนันท จึงมีความสึ้นไปแห่งราคะราคะขยานันทิขยโยเพราะความสึ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่นงนันทินันทิราคะ ข, ขยาจิตตังสุนุตันติมุจติเพราะความสิ้นไปแห่นงนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตบุคคลแล้วด้วยดีดังนี้ที่ตา <c ười> ที่ทางการจิตให้กางการงานว่าไปเลยอาโณ์ฐานะที่สร้างแห่งอนุสติมีเท่าไหร่ มีห้าอย่างพระเจ้าค่ะดีหลักดีหลัอานณ์ถ้าอย่างนั้นเธอจงจงจำฐานะที่ตั้งแห่งอันิสติที่หกนี่ไว้คือปิสุในกรณีนี้นักติยานักตยาอาสติอาคสติอานติอานิสติเมื่อเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มี ตาสติสติยาอัคติตูตูปตาโตนหูติเมื่อการมาและการไปไม่มีการเคลื่อและการเกิดที่ย่อมไม่มีคพราะสิ่งนี้ไม่สิ่งนี้จึงไมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ถ้ามีวแก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอาิชาเป็นปัจจัยจิตมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพรมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูเพราะมีนามรูเป็นปัจจัยจึงมีสลายออกจากมาราะ b e c u s <oughs> e origination b i e a s g n o a n c e s o n d i t i o n volitional r a t i o n With relational information as condition, consciousness. With consciousness as m i s s i o n name and form. ที่เรานะพ่อแม่ที่จะถ่ายทอดพระศาสนาจึงให้เราเนี่ยถ่ายทอดพุทธวจนะนะรุ่นต่อรุ่นสืบกันไปเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอด ก, กันต่อๆไปนะความตั้งมั่นของพระศัทธรรม4ประการหนึ่งจดจำบทปัญชนะกันมาถูกความหมายถูกอธิบายถูกสอง ภิกษุเป็นผู้ว่างง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นอย่างที่สาภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาธิกาต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่า ย, ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปนั้นวันนี้เราก็มาถ่ายทอดพุทธวจนะนะ ขอ้อที่สภิกษุที่เป็นเทระแล้วคือบวชนานสิปีขึ้นไปต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในผิดแห่งวิเวกธรรมปารุบ ค, ความเพียรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนะนี่คือสีข้อของความเจริญความตั้งมั่นของพระสัทธรรม <c oughs> ดังนั้นเราจึงต้องประกาศพุทธวจนะและถ่ายทอดพุทธวจนะศึกษาพุทธวจนะ นำไปประพฤติปฏิบัติ่นเองนี่เป็นความสำคัญพวกเราแค่ทรงจำได้อย่างน้องน้ำบุ้นเนี่ยนะแค่จำได้อย่างเดียวเนี่ยมีอะนรสงไหมนะมีคำศาสดาไม่เหมือนคำของคนทั่วไปใครจำคำตถาคตได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระตถาคตบอกว่า แม้เขาจะมีสติหลงลืมทําการละคือขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาในภพของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมด้วย4ีอาการ 1. เขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมที่เขาทรงจำได้ 2. เขาจะไปได้ยินพวกภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริสัทธเมื่อได้ยินแล้วก็จะบรรลุธรรมข้อที่สาม เขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วเขาจะบรรลุธรรมอย่างที่4ี่เขาไม่ได้สามกรณีแต่จะมีเทพบริษัทผู้เกิดก่อนมาตักเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะเขาละลึกได้แล้วเขาจะบรรลุธรรมนี่คือประโยชน์ของการทรงจำอนุสาสนีปฏิหารคำของตถาคตซึ่งประกอบด้วยปฏิหารได้อย่างคล่องปากขึ้นใจ และแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นโยมยังไม่ได้บรรลุอะไรสักอย่างแต่จะไปบรรลุในภพของเทวดานะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ดีๆนะ <c oughs> อีกอย่างหนึง่งประโยชน์ของคำพระตถาคตก่อนสิ้นชีวิตใครมีญาติกำลังเสียชีวิตนะให้นำคำศาสดาไปให้เขาได้ยินได้ฟัง แล้วเขาจะได้อ น, นิสง์หกประการพระตาถาคตตรัสพระสูตรนี้ในเหตุที่ไปเยี่ยมพระปัทคุณนะซึ่งป่วยกำลังจะเสียชีวิตนอนเจ็บปวดทุรนทุรายไปถึงผัทคุณนะบอกผัทคุณนะทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะเจ็บท้องมากนะเหมือนมีใครเอามิดโกนมาปาดกระเพาะปาดลำไส้ ปวดหัวมากนะเหมือนมีใครเอาเชือกมาบีบขมับอย่างแรงมัดขมับของเขาบอกปัทคุณะไม่เป็นไรตั้งใจฟังทำนะจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมให้ปัทคุณะฟัง <c oughs> แล้วพระองค์ก็หลีกไปพระอ น, นุลบอกพระจัตถคดว่าหลังจากพระองค์กลับไปได้ไม่นานพระภัทคุณะก็ทำการละลง แต่ชวีวันผ่องใส ย, ยิ่งนักพระศาสดาบอกว่าไม่ผ่องใสได้อย่างไรอนอน์ก่อนเขาฟังคําตถาคตเขายังละสังโยชน่าไม่ได้แต่หลังจากฟังธรรมะแล้วเขาระสังโยชน่าได้แล้วจึงตัดอ น, นิสงส์หประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกถ้ายังละสังโยชน่าไม่ได้จะละได้คือได้เป็นถึงอนาคามีบุคคล กลุ่มที่สองถ้าเขาละสังโยชน์ได้แล้วเขาจะได้เป็นพระอาหารหันต์ในสองกลุ่มนี้มีสามลักษณะที่เหมือนกันจึงเป็นอ น, น, นิสงส์หกประการ3ลักษณะคืออะไรหนึ่งได้ฟังจากตถาคตโดยตรงสองได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดโยมจำคำศาสดาไปบอกให้เขาฟังหรือไปอ่านให้เขาฟังนี่คือสาวกของตถาคตเอาไปถ่ายทอดอีกทีนะ อย่างที่สามตัวเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมของตถาคตได้เองนี่จึงเป็นอนิสงค์พุทการของคนที่ได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตคุณประโยชน์มหาศาลนะยนะเพราะองค์ตัดไว้ด้วยพระองค์เองศาสดาเราเป็นสัพพัญยูรู้แจ้งโลกไม่มีการพูดเล่นนะไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์ อรรมะพระตถาคตต้องการให้รู้เยอะไหมขอคำเดียวนะขอให้รู้คำเดียวบทเดียวเราเขียนไว้ในนี้แล้วตัดกับคามินิขามินิเพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานขอรู้คำเดียวให้จากระจาษเช่น สติคำเดียวก็ได้ละนันทีคือความเปลี่นคําเดียวก็ได้อานาปานาสิอยู่กับลมอย่างเดียวก็ได้กายยัตาสติอย่างเดียวก็ได้ผู้ใดบริโภคกายยกตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะใครกําลังเอาจิตอยู่กับกายคนนั้นกําลังได้อมตะคือนิพพานใครจับสติตัวเดียวพระองค์บอกว่าสติเป็นที่แล่นไปสู่บิมุติ อย่างนี้นั้นขอคำเดียวที่ถูกต้องหรืออ น, นิจจังพระองค์ตรัสว่าพิสษจทั้งหลายผู้ใดมีจิตฝังลงไปย่างติดต่อสมาเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำคนที่เขาวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันแค่จับอ น, นิจจังตัวเดียวนะเราจรึงทำหนังสือตรงนี้มา นะเพื่อให้พวกเราได้ไว้ศึกษาอยากจะสาธยายธรรมทําไว้ให้ตรงนี้หนังสือสาธยายธรรมอยากจะแก้กรรมรวมไว้ให้แล้วหนึ่งเล่มวิธีแก้กรรมมักมีองศา8ลักษณะของกรรมเป็นอย่างไรนะกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบแง่มุมใดบ้างนะมีแต่คำตถาคตล้วนหนังสือตามาจำไว้นะไม่มีงานเขียนอาตมานะนะอะสาสวกมีคาสอนตัวเองไม่ได้ คำสอนมีแต่คําพระศาสดาสาวกจํามาถ่ายทอดเท่านั้นและปฏิบัติตามเป็นอริบุคคลแต่ละขั้นและเมื่อเป็นอริบุอลอริยบุคคลแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ถ่ายทอดเองต้องถ่ายทอดคําตถาคตดังนั้นคําสอนมีแต่คําตถาคตภิกษุใดบอกคําสอนตถาคตว่าเป็นคําของตัวเองภิกษุรูปนั้นชื่อว่าเป็นมหาโจรชั้นเลอรประเภทที่สองขโมยธรรมนะ อานาปานาสีทั้งชีวิตผู้เจ้าตัดไปแล้ว32พระสูตรอยู่ในเล่มนี้นะสอนเกินนี้ไม่ได้ใครสอนอานาปานาสีผิดจาก32พระสูตรนี้ต้องปรับใหม่ให้ตรงกับพระตถาคตแง่มุมหนึ่งที่เราเจอคือผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมนะเรื่องใหญ่แล้ว น, นั่งท่องกันเต็มเลยอาตมาก็เคยนั่นงท่องคําบริกรรมมาสิบกว่าปีเหมือนกันเพราะไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าและไม่รู้ หลังจากรู้แล้วเราก็เลิกซะแค่นั้นเองง่ายๆเพราะเราจะทำไมเราจะไม่สืบทอดกัลยาณวัตรที่ไม่ใช่ของพระตถ า, าคตพระองค์จัดกับพระอนุนว่าอา น, นุน <c oughs> <c oughs> ความขาดศูญย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอา น, นุเกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอ โดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันปรบพิ้นตามกา ร, ระยะนานวัตที่เราตั้งไวแล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุุษพวกสุดท้ายของเราเลยนะอตมาไม่เป็นคนสุดท้ายและถ่ายทอดให้โยมแลว้วันนี้ทุกคนเอาไปลนะนั้นทุกคนก่อนตายอย่าเป็นคนสุดท้ายในคำพระตถาคตโยมต้องส่งต่อส่งไม้ต่อลูกนี่คำตถาคตคำศาสนาของเรานะลูกอานาปานสิลูกคาอย่างนี้นะ แก้กรรมลูกทําอย่างนี้นะสาธยายทําลูกต้องทําอย่างนี้นะพระตถาคตบัญญัติไว้อย่างนี้แค่นั้นเองและเราจะไม่เป็นคนสุดท้ายในศาสนาของพระ อ, องค์นะศาสนาจะถูกสื่อทอดกันไปรุ่งต่อรุ่นไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสื่อทอดกันต่อๆไปเข้าใจ <c oughs> ไหมใครต้องการเป็นคารวะชั้นเลิศอยู่ในนี้คารวะชั้นเลิศง่ายๆสีข้อด้านหลังปกนีหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัด ทำตนให้เป็นสุขอิ่มนำสามแบ่งปันโภกษทรัพย์บำเพ็ญบุญสี่ไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภกษทรัพย์เหล่านั้นอยู่แค่สข้อนี้บุคคลนั้นกรมรมโภคีผู้นั้นชื่อว่าเป็นกรมรมโพคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคาวะทั้งหลายในโลกอินรีอินีสังวร น, นะ ความไม่ประมาทวัดกันที่ตรงนี้หกสิบว่าประศูนยแห่งความสอดรับกันของคําพระตถาคตยมจะเห็นว่าผู้เจ้าไม่เคยให้เราเนี่ยปล่อยจิตให้ไหลไปกับอารมณ์รับรู้อารมณ์แล้วต้องรีบละรีบทิ้งให้ไหวที่สุดนะสอดรับกันหมดเลย60สิว่าประศูนยดังนั้นใครสอนให้จิตไหลไปกับอารมณ์ต้องเปลี่ยนคําสอนใหม่ให้ตรงกับพระตถาคตนะปฐมธรรมรวมธรรมะพื้นฐานจนกระทั่ง เข้ามรรคผลนิพพานเล่มเดียวอยู่มัดนี่เอาเล่มนี้ได้นะนะคู่มือพระโสดาบันอยากเป็นโสดาบันตรวจที่ตรงนี้รวมไว้ให้แล้วนะในัยยะของความเป็นพระโสดาบันนั้นที่เคยใช้กันที่พวกเรียนอภิธรรมทั้งหลายโสดยานยาณ16นะผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องยาณ16ช่วยแก้ใหม่ด้วยไม่ใช่คำตถาคต ผู้เจ้าสอนยานาวัตถุ44ญยานาวัตถุ77สนะัตธานุสารีธรรมานุสารีสิงห้าบริบูรณ์สอนโสตาปัตยังคัตสีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัยสิ่งเหล่านี้ใครมีให้คนคนนั้นพยากรตนและตนนั่นได้ว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนะ <c oughs> นี่เป็นมรควิธีที่ง่ายนะนี่สำหรับผู้ใหม่อีกเล่มหนึ่งก้ายงอย่างพุทธ ة. ดังนั้นความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนาตรัยฟังเหมือนง่ายแต่ก็ยากเหมือนกันนะทุกวันนี้เราก็ยังหวั่นไหวนะขับรถผ่านสารผ่านต้นไม้ใหญ่ผูกผ้าสามสีอะไรบีบแต่หน่อยนะทักกันหน่อยปินปนปๆนปนแล้วนะทักกันขั้วถนนเลยนะเดี๋ยวมีอุบัติเหตุเดี๋ย ว, ม, ยวมันหักคอเดี๋ยวนั่นนีน่นะ เราคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์มีใครบันดาลอะไรให้เราได้เห็นไนดะ้เข้าสู่มิจฉาทิฏฐิ 3, แบบ ท, ที่หนึ่งที่โสดาบันจะต้องละได้เห็นไหมไม่ได้นึกเลยว่าไอ้รถจะชนข้างหน้าเนี่ยเพราะกรรมเราดันเมามานันา่นน่ะมันชนแน่นอนน่ะนะรถเจอไม่ดีขนาดไหนถ้าเมาแล้วขับก็เรียบร้อยสักวันเน่ะนะเออเอาไม่อยู่หรอกเจอเนี่ยเอาไม่อยู่นะอืมการง่วงเราขับก็เรียบร้อยเหมือนกันนะเนี่ยกรรมการกระทําของเราเนะี่ย กายว า, าจาจิตเยอะมกลับมาฝึกกายวาจาจิตเราให้ดีๆนะัเนี่ยนะแล้วจะไปโทษคนอื่นนะอย่าไปโทษนะเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนส่งผลนะโทษเราเองนะั่นนี่นะ่ เ, ะเราจะรวยจะจนจะเป็นคนดีคนเลวทูตเจ้าบอกว่าคนเราเป็นพระราชาก็เพราะกรรมนะเป็นพ่อค้าวานิชก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมนะเป็นท <c oughs> หารก็เพราะกรรมเป็นนักบวชก็เพราะกรรม กรรมเป็นตัวส่งผลของเราเองนั่นแหละและเราจะไปเกิดในภพใดเนี่ยใครมาลากเราไปไมั้ยไม่มีกรรมของเราเองนะ่ะลากไปตัณหาความอยากของเราเป็นตัวนำพาไปวัชชะถามพระศาสดาว่าเมื่อกายนี้แตกคำลายแล้วเรายังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พระตถาคตบอกว่าตัณหาคือความอยากความอยากของโยมหรือเปล่าที่โดนบันดาลให้ อาตมาไปได้กายใหม่ไม่มีนะเขาจะแช่งชักหักกระดูกโยมยังไงก็ตามนะไม่มีผลผลก็คือจิตของเราเองนะที่เศร้าหมองไปเพราะคำพูดของเขาที่ยินดีไปเพราะคำพูดของเขาคำสรนเสริญเยนยอของเขาอย่างนี้ตัวเองตัวเองเราต้องฝึกจิตตัวเองนะไม่มีใครมาทรงผลอะไรดังนั้นทุกคนจึงต้องระวังจิตตนเองให้ดี นี่โยมจะได้ทราบเหตุปัจจัยที่ถูกต้องและจะได้ไม่ไปสร้างเหตุปัจจัยที่ผิดไรเข้าใจผิดก็ปรับความเข้าใจซะน ะ, ะเราจะได้เข้าถึงธรรมที่ถูกต้องขณะที่โยมนึกคิดเรื่องอะไรนิดเดียวเนี่ยพบเกิดแล้วนะสถานที่เกิดเกิดแล้วไปดูพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดอยู่โยมคิดถึงสิ่งใด ดําบริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณโยไปนึกเรื่องอะไรไปคิดเรื่องอะไรหรือมีจิตฝังลงไปในเรื่องไรนั่นแหละ ว, วิญญาณกําลังไปตั้งตรงนั้นแล้วและขณะนั้นเนี่ยร่างกายเราไม่มีวิญญาณแล้วนะดังนั้นขณะที่จิตเราเพลินกับอารมณ์เนี่ยพระัตถาคตเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเนี่ยเอาดาบฟันคอเธอขาดนี่ ตายแล้วนะขณะนั้นตายแล้วร่างกายไม่มีวิญญาณคลองแต่มันชั่วไม่กี่วินาทีเดี๋ยวมันกลับมาใหม่ไนงะเพราะมันยังมีอุปทานอยู่ใช่ไหมดังนั้นพระตถาคตจึงให้เรารักษาจิตอยู่กับกายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยการละนันทีคือความเพลินคิดเรื่องอะไรมาก็ตามรีบโยนทิ้งเพื่อตัดพบพบคือสถาที่เกิดให้ไวที่สุด เพราะองค์ตว่าพบคือสถานที่เกิดของจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณประโยชน์อะไรที่พอจะกล่าวได้เปรียบเหมือนมูดคูดน้ำลายน้ำเหลืองน้องเสเลทอุจะระปัสวะเมื่อเปื้อนตัวเราแล้วต้องรีบล้างรีบเช็ดออกให้ไวที่สุดสกรปรกมันสโสโครมันไม่มีอะไรดีมีคุณค่าอะไรเลยทิ่สุทั้งหลายคูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใด ภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ดังนั้นจิตไปสร้างการเกิดไปนึกคิดเรื่องปิ๊บเดียวนะ่ะลัดนิ้วมือนิ้วมือมางอกันนี้นะไม่มีประโยชน์เลยดังนั้นโยมไปคิดเรื่องอะไรแล้วเพลินไปสิบนาทีสินาที น, นั่นน่ะเพือนเปือนคูดนาน น, าน่ะเพื่อนอุจละนานใช่ไหมอ่า รีบล้างรีบเช็ดสะอตัดให้ไวละนันทิให้เร็วลายละได้เร็วดุดกระพิษตาพระองค์ชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศบอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสูจนนั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพิษตาของคนอุเบคหายังคงเหลืออยู่ นี้เรียกว่า see, อินทรีภาวนาชั้นเลิศเห็นนะดังนั้นใครมีความสามารถในการละอารมณ์ได้เร็วได้ไวผู้เจ้าจะชมไวขนาดไหนต้องดุดกระพิบตาเเพราะนั้นอย่าให้จิตไหลไปกับอารมณ์นะมีเรื่องนี้สำคัญมากการละความเปลิน ดังนั้นคําที่อาตมายกมาเนี่ยมีแต่คําพระตถากฎไม่เคยยกเน่ยหลงปูงนั้นพูดอย่างนี้หลงตาหลงพ่องนั้นพูดอย่างนี้ไม่มีเห็นนะไม่มีคําสอนสาวกไม่มีมีแต่คําสอนสาศาสาานาะแต่นะวันนี้เราเราเจอแต่หนังสือของอาจารย์นั้นอาจารย์นี้เต็มไปหมดเลยอาตมาก็ไม่ได้ตําหนิท่านนั่นนะเพราะท่านก็หาหนังสือผู้ทวารชนะอ่านไม่ได้เหมือนกันเหมือนเราเมื่อแต่ก่อนแต่ตมาก็ทําเองมันเลยนะ อ่าทำเองเลยไม่ต้องรอใครทำนะรอไม่รู้แกตายจะได้เห็นหรือเปล่าก็เลยทำจากข้อมูลจากบาลีเสียมร้านนี่แหละนะามาเป็นตัวนี้เล่มใหญ่นี้แต่ก็เห็นว่ายงคงแบกไปไหนมาไหนลำบากก็เลยทำมาเป็นเล่มเล็กอย่างนี้เอพกใส่กระเป๋าได้ง่ายพอผู้เจ้าบอกจำแค่บทเดียวก็บอลแล้วนะอ่าว่างๆก็หยิบ ม, มานั่งอ่านสบายสบาย ห <c oughs> นังสือเหล่านี้ต้องมีเต็มประเทศน ะ, นะคำสั์สดาเราเองระหว่างนี้มีใครสงสัยอะไรไ้ยเชิญซักถามได้มีข้อสงสัยั้ย อสอบถานนะครับขออนุญาตให้ผ่านไม้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้เสียงได้ยินด้วยนะครับมีท่านใดอยกปืนนะครับจะได้เอาไม้ไปให้สิ่งที่เราเข้าใจผิดอะไรอย่างมะยมเคยได้ยินคำว่าวิาว ญ, ญญาณเรียนไหวใจเกิดมะเคยใช่ไหมอาอตมาก็เคยมาตั้งแต่เด็กเหมือนกั น, นแต่ปรากฏว่า ผู้เจ้าไม่เคยพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะอ่ะเอแล้วไอ้ระบบเวียนว่ายตายเกิดมันมีไหมนเนี่ยตกลงเนี่ยนะมันมีอยู่นะเราเข้าใจถูกอยู่พพเพราะผู้เจ้าเคยเล่าว่าอดีตชาติท่านเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถูกต้องไหมแต่คนที่เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณนะเราเข้าใจผิดมีภิกษุชื่อสาติพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิด ระฐาถาคตตำหนิว่าอะไรเธอเป็นโม้าบุรุษเลือกมาสอบสั่งประชุมสงทันทีนะไปดูพระสูตรนี้ <c oughs> และยังตำหนิภิกษุชื่อสาตินะนอกจากเป็นโมฆาบุรุษแล้วยังบอกว่าชื่อว่าเธอย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยดังนั้นเราชาวพุทธกำลัง ตู่พระศาสดาตัวเองตัวเองด้วยค่ายคาที่ตนเองเนะี่ยถือออกมาผิดทรงจำกันมาผิดนะพระองค์ไม่เคยพูดตรงนี้นะพระองค์ถามสาติโมคบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้เมื่อแสดงแก่แกใครเล่าไหนต ถ, ถาคตเคยพูดคำนี้ที่ไหนแสดงแก่ไใครนะโดนเลยและตำหนิสติ นอกจากถือถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดย่อมขุดตนเองด้วยขุดตนเองเป็นยังไงเวลายอมยืนและยอมลองเอาจอบขุดตัวเองตัวเองจะจมลงไปเรื่อยๆนะนั่นแ่ะการอาการขุดตนเอง <c oughs> ย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยข้อนั้นแหละจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานดัง น, นี้โอ้แค่พูดปิดอย่างนี้นิดเดียวนะ โนว่าขนาดนี้นะเนี่ยนี่ต้องเปลี่ยนกันใหม่นะอาตมาก็ต้องเปลี่ยนอาตมาก็เคยพูดนะเหมือนเรานั่นแหละนะฟังอาจารย์เรามาก่อนเหมือนกันแต่เราก็ยังไม่ได้ตรวจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ไปตําหนิครูอาจารย์อะไรเรานะเพราะเราก็เคยพูดผิดมาทุกท่านเคยพูดผิดกันมาทั้งนั้นสาวกเรื่องพูดผิดธรรมดาเพราะว่ารัฐถารตนูญพูดเดียวเท่านั้นที่พูดไม่พลาดนอกนั้นพลาดได้หมดแต่เรากําลังกําลังมาปรับ ปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ตรงกับพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้หลายเรื่องเลยเยอะถ้าเรามาศึกษาพุทธวจนะเราจะต้องปรับปลี่ินเยอะแม้แต่บทให้พรเนี่ยนะอายุโทปรารโทธีโลนะหรือยถาวาลีวาหาปุลาปริกุเลนติสากลังยถาวาลีวหาอะไนี้แต่งใหม่นะอาตมาก็ให้มาสิบกว่าปีมันนะนะ พวกญาติโยมที่เข้าศึกษาพุทธวจนะมาเรื่อยๆก็าถามนี่ที่อาจารย์ให้พร น, นี่มันเป็นพุทธวจนะหรือเปล่าเอออย่างนยู่เนอะเดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนกันใหม่ก็ให้ทีมพระตรวจสอบซิว่าผู้เจ้าเนี่ยให้พรมีกี่พสูตรมีประมาณ9พระสูตรที่เหมือนกับพระที่ทํากันอยู่ตรงนี้ก็คือมีบทอายุโทปรตโททีโลกับการเลทะทันติสัปัญญาวันยูวีตมัชลาเราก็ใช้สองบทนี้จะได้เหมือนหมู่คณะเราพยายามทําให้เหมือนหมู่คณะให้มากที่สุดอยู่แล้ว ไม่พยายามสร้างความแตกต่างหรือความเป็นเอกเทศอะไรไม่ต้องนะแต่อะไรที่ไม่เหมือนก็คือต้องไม่เหมือนอะไรที่ครูเจ้าไม่เคยสอนก็ต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกไงนะไม่งั้นคําพระศาสดาเกิดขึ้นมาไม่ได้ณนะวันนี้คําสาวกนี่ปิดคำพระศาสดาแน่นเอียดเลยนะโยมหาหนังสือที่เป็นพุทธวัชนะไม่ได้ในร้านหนังสือทั่วประเทศเพราะอะไรเพราะคําสาวกปิดศาสดาตัวเองหมดดังนั้นต้องมี ต้องมีพระที่กล้าพูดคําพระศาสดาถ้าไม่กล้าพูดโดยเกรงใจว่าอุย้ยนี่อาจารย์ฉันพูดเนี่เดี๋ยวไปกระทบอาจารย์ฉันอุย้ยสังคมเขาทำอย่างนี้จะทํำยังไงกันทาพระศาสดาไม่ได้เกิด <c oughs> ไม่ได้เราต้องยืนเคียงข้างพระศาสดาพระทุกลูก ต, ต้องยืนเคียงข้างศาสดาต้องกล้าประกาศคําตถาคตนะอะไรตรงอะไรจริงอะไรไม่จริงแก้ไขอะไรตรงจริงนำมาทำนํามาปฏิบัติอย่างนี้ ดังนั้นให้เราดูว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีแล้วอะไรเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดไปดูพระสูตรนี้พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะอะไรเพราะความที่เขาไม่รู้อริสัต์ทั้งสี่นั่นเอง ดังนั้นคนที่เวียนไหวตายเกิดคือสัตว์สัตว์ตรงนี้บาลีใช้คําว่าสัตตานังสัตตานังเป็นผู้เวียนไหวตายเกิดไม่ใช่วิญญาณแต่สัตตานังนี่แหละมาหลงยึดวิญญาณไปดูพระสูตรนี้ว่าสัตว์เนี่ยเป็นคนหลงยึดวิญญาณไม่ใช่วิญญาณเวียนไหวตายเกิดพระสูตรนี้พระองค์ตอบกับปราทะซึ่งถามว่าคําว่าสัตว์วสัตว์มีได้ด้วยเหตุปิงเท่าไรพระเจ้าค้า พระองค์ตรัสว่าอะไรราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้เห็นไหมมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเข้าไปหลงยึดขันธ์ห้าหลงยึดวิญญาณวิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิด แต่สัตตานังเข้าไปหลงยึดวิญญาณเข้าไปหลงยึดขนันหานะความพอใจอันใดเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ไปพอใจที่ไปเพลินที่ไปอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการที่เขาเข้าไปติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งเนี้ยพระองค์เรียกสิ่งสิ่งหนึ่งนี้ว่าสัตว์หรือสัตตานังเห็นนะไอ้ตัวนี้ต่างหากที่เป็นคนเวียนเกิดเวียนตายไปในสังสารวัฏที่กลับไปดูพระสูตรเมื่อกี้นะ ว่าสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกัน้นเห็นนะโยมจะได้ความลึกซึ้งในคําว่าสัตว์ละที่สูงทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องกัน้นตนาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตเห็นนะไม่ได้บอกว่าวิญญาณแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตรถูกต้องไหมนี่บทพยัญชนะของพระตถาคตคมทุกคำต้องจำเป๊เป๊ะเป๊เ ป, เปพลาดไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ ทมศาสดาลึกซึ้งอย่างนี้ปราณีตอย่างนี้ละเอียดละออยอย่างนี้และสอดรับกันทุกๆพระสูตรเลยเอามาเชื่อมโยงเรียงร้อยต่อกันได้นะอันนี้อันหนึ่งที่อยากให้ทราบนะเรื่องวิญญาณเวียนวหาตายเกิดไม่มีมีแต่สัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดบาลีใช้คาว่าสัตตานังสัตตานังเนี่ยแหละเข้ามาหลงยึดวิญญาณ ลงยึดขันท่าแล้วเกิดตายไปกับขันท่าและพวกเราทุกคนเนี่ยคือสัตตานันท์ทั้งหมดพนะรมเทวดานากกําเนรเดชานเปรตวิสัยสัตตานันท์ทั้งสิ้นนะแล้วแต่จะไปเกาะขันท้าที่เป็นภพภูมิดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองนะก็เวียนเวียนเกิดเวียนตายกันไปนะมีคำถามไหมมนะีไหมถามได้นะ เออมีท่านใดจะสอบถามยกมือนะครับจะได้เอาใหม่ไปข้างหน้า <พอ S 1> นิดหน่งนะนะสบายสบายกันเองนะไม่มีอะไรนะอ่าคุยๆกันถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็เป็นสัตว์ทั้งนั้นเลยก็ผ้าถูกต้องนะ ถ้ายังไม่บรรลุถึงพระลานก็ล้วนเป็นสัตว์ทั้งสิน้นเพราะสัตว์หมายถึงผู้ที่ยังมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่ อ, อ, อหมดอวิชชาแล้วเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยก็จะถูกเรียกใหมายว่าวิมุตติยาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตต์นั่นคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเป็นวิมุตต์กันทั้งสิน้นแต่เรียกวิมุตต์ไม่ได้เพราะยังมีอวิชชาอยู่จึงถูกเรียกว่าสัตปานังแต่ถ้าโยอมปฏิบัติมักแป จนเต็มที่แล้วเอาวิชาหมดไปแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วโยมจะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติยานทศนะผู้รู้ในวิมุตติไม่ได้ยินค่ะ อ, อ่านของคุณสันสนีกับขยายความโดยพระอาจารย์อ่ะกินก้าวย่างฉบับก้าวย่างอย่างพุท ธ, ธค่ะ เออไม่ทราบว่าตอนนี้มีเล่มอื่นอีกไหมโชฟ้าแผ่นอื่นนะคะอเพราะว่าโยมฟังหลายรอบแล้วชอบมากๆาก็เลยว่ามมีสิบเล่มมีเล่มไม่มีเลยใะคะ่อืมคะฟังโยมเขาพูดว่าขยายความอย่าไปคิดว่าอาตมาพูดใหม่นะอาตมาขยายความโดยใช้พุทธวจนะขยายพุทธวจนะนี่คือการการขยายความที่ถูกต้องพูดเองไม่ได้ ต้องใช้คำตถาคตอธิบายคำตถาคตเพราะคำพระพุทเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วสั่งเลยว่าอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนบอกพิสูจนทั้งหลายพิสูจนทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติอะไรไม่เคยบัญญัติอย่านะอย่าไปบัญญัติพิสูจนทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วเห็นนะอะไรบัญญัติไว้แล้วอย่าไปเพิกถอนต้องเคารพพระผู้มีพระบารเจ้านะ อีกเรื่องหนึ่งคําถามส่งมาทางกระดาษก็ได้น ะ, ะโยคกรรมกับอนุตละเขมธรรมเหมือนกันไหมเจ้าคะเหมือนกันนั่นแหละนะเจะโยคะกรรมคือการกระทําอย่างเป็นระบบเอาไม่ตั้งๆอย่างนี้โยมไม่ได้ยินเนี่ยเอาไม่ตั้งๆ ไ, ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งอย่างนั้นแบบนักร้องเนี่ยตะแคงออก นี่ๆๆๆนี่ปรับปรับอย่างนี้เออนั่นแหละนั่นและ้วใกล้กล้ปากหน่อยใกล้กล้ปากเอีอปฏิจแล้วยังไงเนาะเอาใกล้ๆกล้หน่อยมันมันไม่ได้ยินอ่ะอ่ะอ่ะ อิติปิโสไม่มีอยู่มีอยู่จริงๆตัวอิติปิโสก็คือแต่ไปดูรายละเอียดในอิติปิโสดีๆนะอิติปิโสก็มีการเสริมเข้าไปเหมือนกันนะจริงๆตัวของอิติปิโสคือตัวโสตาปัเยียงขัสีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญอย่างไรสรนเสริญพระธรรมสรรเสริญอย่างไรสรรเสริญพระสงฆ์สรรเสริญอย่างไรพระศาสนาบัญญัติเอาไว้แล้ว ดังนั้นมันมีการแต่งหลายรูปแบบเอาคำผู้เจ้ามาแล้วแต่งไปบรรทัดเวน้นบรรทัดมาแต่งหัวปิดท้ายอะไรอย่างนี้หลายรูปแบบมากดังนั้นอาตมาจึงบอกให้กลับไปที่หลักฐานเดียวคือบาลีสมล้านตัวนี้เก่าที่สุดในโลกตอนนี้เล่มนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่สองเป็นเล่มจริงพิมพ์เมื่อสองสี่หกดตัวจริงพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ห้าคือสองสี่สามหนึ่งถึงสองสี่สามหกนะการพิมพ์ครั้งแรกนะปีนั้น ก็ต้องถามว่าที่เขาฟังมาเนี่ยเขาฟังจากใครเนี่ยเราไม่ค่อยพยายามจะจัดสาวทบทวนขึ้นไปไงว่าสัญญาเก่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยนะอ่ามันมาจากไหนอย่างไรนะอาตมาก็ท่องมาก่อนทั้งนั้นน่ะนะ โยมเขาถามมาในแผ่นกระดาษว่าถ้าไม่ต้องบริกรรมแล้วจะต้องทําอย่างไรอ่าไปดูทําอย่างไรพระองค์สอนอาณาปานาสิกับภิกษุเกิดภิกษุมาถามพระตาถาคตพระตถาคตครับผมจะภาวนาอย่างไรครับนะพระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทํำกายสังขารได้ลำรับอยู่หายใจเข้าทํำกายแสังขารได้ลำรับอยู่หายใจออกมีมม้คําบริกรรมไม่มี รู้ลมหายใจยังไงรู้อย่างนี้เข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้จบแล้วถ้ามีสักพระสูตรสี่ที่ครูเจ้าสอนอ่ะสารีบุตรนะนั่งท่องชื่อตถาคตไปนะเข้าพุทธออกโพลโอเคงั้นเรามาทํากันนะเพราะฉะนั้นในเมื่อพระตถาคตไม่เคยพูดนะโยมเราก็จะกลายเป็นไปบัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่เคยบัญญัติถูกต้องไหมเรากําลังคัดงา้างคําศาสดาตัวเองนะ ซึ่งพระศาสนาบอกว่าคําของโปรงพูดหลุดจากปากแล้วเนี่ยไม่มีสมณะรามมานปรมผู้รู้ใดๆคัดง้างหรือติเตียนได้เลยเห็นนะนั้น้ขยมคัดง้างคําพระศาสนาได้อัตมาเนี่ยเกิดเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาอัตมาบอกเลยศา ส, สดาคุณไม่เก่งจริงเนี่ยลูกศิษย์คุณอนะ่ะคัดง้างคําศาสดาคุณอนะ่ะบัญญัติเพิ่มกันเต็มเลยแล้วไหนน่าศาสนาคุณเก่งไงว่าคําเนี่ย เป็นอากาลิโกคําไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงตัวตลอดการไหนอ่ะลูกศิษย์คุณอนะ่ะคัดง้างคาศาสดาตัวเองทั้งนั้นเลยโอ้โหโจมตีได้เลยเป็นจุดโจมตีได้เลยโยมเห็นไห ม, มอ่าดังนั้นเราจะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคําศาสดาโยมคิดดูถ้าโยมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วโยมจะสอนปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะข้ามหมายพระเจ้าจะสอนยังไง พระองค์เคยทําอย่างไรพระองค์ต้องนั่งต้องสอนอย่างนั้นจริงไหมถ้าพระองค์นั่งท่องทําบริการพระองค์ก็ต้องพูดประจักษ์ว่ากี่ให้บริการจริงไหมถ้าพระองค์ไม่มีก็ต้องไม่มีจริงไหมเพราะพระองค์เคยหลุดพ้นอย่างไรก็ต้องบอกคนอื่นให้หลุดพ้นตามที่ตัวเองเคยทํามาจริงไหมและพระพุทธเจ้าจะต้องพูดต้องเก่งมากเลยอ่ะเพราะพระเ้าพูดเนี่ยมันพูดมาจากการประพฤติปฏิบัติของท่าน และต้องถ่ายทอดออกมาเป็นบทพันธนะให้ได้ให้คนฟังเนี่ยเข้าใจตามได้และทำตามให้เหมือนอย่างท่านด้วยและคำจะต้องอาการิโกด้วยและคำจะต้องไม่ขัดแย้งกันทั้งชีวิตคิดเยอะไหมพรูจ้าโอ้โหไม่ใช่สั ป, ปัญญูนิทรรมไม่ได้นั่นเนี่ยนะการบัญญัติธรรมและวินัยจึงมีได้เฉพาะตะถาคตผู้เดียวคนอื่นอย่ายุ่งเลยครเจ้าไม่ให้ถึงเธอจะเป็นพระอหรหันต ผู้ปัญญาวิมุตต์ก็ตามคือหลุดพ้นด้วยปัญญาก็ตามพระองค์ตรัสว่าเธอเป็นแค่มัรคานุคาผู้เดินตามเท่านั้นเห็นนะไม่ได้สอนดีสอนเลิศนะเดินตามดีเดินตามเลิศแค่นั้นนะตะถาคตเป็นมัรคันยูรู้มรรคก่อนเป็นมัรควิทูรู้แจ้งในมรรคเป็นมัรคโกวิโทโธเป็นผู้ฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมัรคานุคาผู้เดินตามมรรคเท่านั้นนะ นี่เป็นอย่างนี้รู้ลมไหลเข้าไหลออกพอแล้วและถ้าจิตหลุดจากการรู้ลมไปให้ทำอย่างไรละนันทีคือความเพลินกลับมารู้ลมใหม่ครั้งหนึ่งจบลายการนี้ง่ายมากน ะ, นะเดิน ลหลักฐนองไดองค์หนึ่งด้วยมันจะมีอยู่บทหนึ่งรับพระจารย์ระลึกน่ะคือการให้นั่งท่องคําเหร อ, อสั่งบอกว่าให้สัจชายาชื่อตถาคตรหรือเ่าการระลึกระลึกอย่างไรคือนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องบริกรรมแต่ว่าอพอเราเพลินอย่างเงี้ยเราดึงกิจเปรงเข้ามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกอย่างไรพระตถ า, าคตตัดไปแล้วในพระสูตรพุทธานุสติ พุทธานุสติคนคนนั้นเนี่ยต้องระลึกถึงพระตถาพจน์ว่าพระตถาพจน์เนี่ยเกิดขึ้นจริงกระสลูจริงเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เลิศที่สุดคนนั่งท่องพุโทโธพุทโธไปแล้วรู้ความหมายแห่งพุโทโธไหมโยมไปบอกฝรั่งนั่งท่องพุโทโธแล้วฝรั่งได้ได้ปิติจากความเข้าใจในคําว่าพุโทโธไหมเหมือนนันตมาให้โยมนั่งท่องคําว่าแก้วน้าแก้วน้าแก้วน้ำไปเรื่อยๆโยมก็ไม่เข้าใจความหมายแห่งคําพูดตรงนั้นนะ่ะเข้าใจไหม คนต้องเข้าใจความหมายลึกซึ้งในคำพูดตรงนั้นแล้วเกิดปีติจากความลึกซึ้งในคำพูดตรงนั้นต่้งหากดังนั้นพุทธานุสติพระตาคตตัดไว้แล้วหนึ่งหน้าเนี่ยในจากพระโอษดเนี่ยโยมลองไปหาดูนะในพุทธประวัติจากพรอโอษนะลองไปหาดูไม่ได้เกี่ยวกับการท่องชื่อพระพุทธเจ้าเลยนะอ่าท่านเจ้าคะ เออยังยังก็ขอสงสัยอยู่นะค ะ, ะก็ในเมื่อแบบว่าท่านท่านพูดถึงเรื่องวิญญาณเมื่อกี้เนี่ยนะคะ อ, อันนี้เป็นแบบว่ายังยังสงสัยอยู่ว่าแล้ววิญญาณที่ท่านหมายถึงหรือนั่นอะ่ะคืออะไรเป็นอะไรนะคะจะให้คิดว่าเป็นอะไรคืออะไรอ๋อพระตถาคตอธิบายอย่างนี้วิญญาณพระองค์อธิบายตั้งแต่ขันห้ารูปกิริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนหนาวเย็นหิวกระหายเหลือบยุงลมแดดเรียกว่ารูป ประกอบด้วยมหาปุตะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่คือคํานิยามของคําว่ารูปเวทนาคืออะไรกิริยาที่รู้สึกได้ถึงอะไรถึงสุขบ้างทุกบ้างอะทุกขามัสุขบ้างนี่เรียกว่าเวทนาสัญญาคืออะไรความจําได้หมายรู้สังขารคืออะไรความปรุงแต่งนะวิญญาณคืออะไรความรู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์อะไรที่มันรู้แจ้งได้สี่ธาตุ มันรู้แจ้งในรูปรู้แจ้งในเวทนารู้แจ้งในสัญญารู้แจ้งในสังขารกิริยาที่รู้แจ้งได้เรียกวิชาณตินะบิญญาเนี่ยมีชื่อเรียกสามชื่อและบวกอีกหนึ่งคือสี่ชื่อนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระธรรมคดบอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างจิตบ้างนะมนโนบ้างมนโนคือใจบ้างวิญญาณบ้างนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดไม่ได้วิ่งไปที่ไหนเกิดตายเกิดตายอยู่หน้าปัจจุบันนี้วิญญาณเป็นาธาตุรู้เป็นธรรมธาตุอันหนึ่งที่เป็นธาตุรู้รู้อะไรรู้รูป ร, รู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารพระเจ้าบอกว่าวิญญาณเข้าไปอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้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 ใครเห็นวิญญาณหรือจิตของตนเองวนอยู่ในสีธน่ธาตุนี้คนนั้นคือโสดาบันนี่สัตว์ตามังเป็นคนเข้ามารู้ระบบการทำงานของห้าธรรมทาตุนี้เข้าใจไหมอ่าอ่ากระจางไปหนึ่ง <laughs> เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงอัฐุกขมาสุขาตอนนี้เขาจะต่างกับอุเบกขาอย่างไรคะเหมือนกันเหมือนกันทําไมเหมือนกันฮะในเมื่ออัฐุกขมาสุขที่มันพูดถึงอนุสัยสามที่พระเจ้องค์ตรัสถึงอนุสัยสามที่บอกว่าความสุขเป็นราคานุสัยทุกเป็นปฏิกานุสัยและอัฐุกขมาสุขเป็นอวิชชาอตอนนี้ในเมื่ออัฐุกขมาสุขเป็นอวิชชาแล้ว อุเบกขาจะเหมือนกับอทุกขมสุขได้ยังไงแปลว่าอุเบกขาก็เทียบกับพสูตรหนึ่งบ้างสิโยมยกพสูตรเดียวพสูตรเกี่ยวกับอทุกขมสสุอุเบกขามีต้องเป็นร้อยพสูตรนะลองไปเทียบกันบ้างหรือเปล่าใช่มไหมบางอันผู้เจ้าก็พูดดูเบกขาละอุเบกขาได้เห็นอุเบกขาเกิดดับชื่อว่าละอวิชานุสัยได้ในเมื่อพระองค์ใช้แทนกันไปแทนกันมาอย่างนี้จะไปเห็นความต่างกันไหมนี่ใช่ไหมอ่าอหอ ไม่ใช่อุเบกขามันมีหลายระดับนะพระองค์แบ่งอุเบกขาเป็นสามระดับอุเบกขาเนื่องด้วยเย่าเรือนหรืออิงามิตอุเบกขาไม่อิงามิตรอุเบกขาที่ไม่อิงามิตยิ่งกว่าไม่อิงามิตรคือในวิมุตโอ้มันมีเยอะมากเยิมเรื่องอุเบกขาการทุกข์มรรสเนี่วางไว้ก่อนพระสรมันเยอะมากนะอ่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเอาแค่ว่าทรงอุเบกขาไว้ได้แล้วเห็นมันเกิดดับพอแล้วขอขอนาัสการถามอะค่ะที่พระ ที่บอกว่าพบเป็นผลของภวะตันหาเท่านั้นนะคะ อ, าาอยากให้พระอาจารย์อธิบายตรงนี้นะค่ะแล้วการที่ไม่เป็นภวะตันหาหมายถึงวิภวะตันหาเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดพบเหรอคะหมายถึงมัน<ช>ตัดผัสสะตรงตัดพบตรงนั้นนหรอคะวิภวะตันหาอย่าไปพูดถึงมันพระตถาคตพูดเรื่องวิภวะตันหาแค่หัวข้อโยมจะไม่สามารถหาคําพระศาสดาที่อธิบายเรื่องวิภวะตันหา ตลอดทั้ง45ปีที่ผู้เจ้าเทศไว้เนี่ยหาไม่เจอไม่มีพูดไว้เพราะถ้าพระศาสดา พ, พูดคําตถาคตจะขัดกันทันทีพูดอย่างเดียวเรื่องภาวะตัณหาละภาวะตัณหาได้จิตหลุดพ้นไม่พูดเรื่องวิภวตัฒนาแต่มีหัวข้อเอาไว้นะให้พิจรารณาเองโดยนัยะตรงข้ามอย่างนี้ท่านผู้ท่านายังงงเลยผู้เจ้าไม่เคยพูดเรื่องวิภวตัฒนาแต่เราจะเข้าใจ สาวกยุคนี้บางคนไปพูดเรื่องวิพวตัญหาไปลงรายละเอียดปั๊บคำสอนจะขัดกันเองตัวเองเนี่ยจะสะดุดขาตัวเองเพราะในเมื่อกําลังให้คนนี้ปารบความเพียรคนนี้อีกคนบอกว่าอย่าทำนะเพราะการทำเนี่ยเป็นความอยากนะอยากที่จะไม่อยากนะอีกคนก็บอกเนี่ยเธออยากไม่อยากไม่อยากมันพูดไปได้ต่อกันไปได้เรื่อยๆนะไม่จบหรอกวิภวตัญหาจึงไม่มีคําสอนของพระเจ้าเรื่องวิภวตัญหาไม่มีมีหัวข้ออย่างเดียว มีไม่กี่พสูตรเองมีแต่หัวข้อทั้งนั้นไม่มีการลงรายละเอียดแต่ภาวะตัณหาเนี่ยมีเทียบเป็นหลายร้อยเป็นพันพสูตรนะเข้าใจไหมให้เข้าใจโดยในย่ตรงข้ามกันนั้นและภาวะตัณหาอย่างเดียวจิตหลุดพ้นได้เลยนะการถือศีลแปดในวันพระเรียกอุโบสถศีลอ่าเรียกใหม่ก็ได้อย่าไป ถ้าเรีย้ถูกจะอย่าไปเรียกสินแปดเพราะสินแปดเวลาโยมสแกนเข้าไปจะหาไม่เจอคุณเจ้าจะใช้คําว่าอุโบสถ8ประการเท่านั้นนะเรียกอุโบสถศินคุณเจ้าเรียกอุโบสถมี8ประการย่อมมีนิสสงมากกว่าการถือสินแปในวันอาไม่ใช่นี่เพราะเราไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันไอตัวสินแปดกับอโบสถเนี่ยสินแปเรามาเรียกเองมีคําเดียวคืออุโบสถ8ประการ น, นะนั้น อุโบโสถแปดประการที่ไม่เหมือนกับเราทุกวันนี้คืออะไรพระไปสืบค้นเจอในบาลีว่าในสิงห์แปดเนี่ยในอุโบโสถแปดประการเนี่ยมีคำว่าเอกพติโกคือต้องทานมือเดียวนะไม่มีมือสองงานใหญ่แล้วพวกุกหรืออุโบโสถแปดประการเห็นนะเนี่ยพอไปเจาะคำพระศาสดาเนี่ยโยมโอ้โหต้องแก้ไขอีกบานเลยนะเนี่ยนะดังนั้นคุณธรรมความเป็นพระโสดาบันเนี่ยโยม ยังไม่ต้องถึงอุโบสถ8ประการหลอกนะสินห้าสินห้าเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติอยู่เพราะองค์บอกว่าคุณธรรมอะไรที่ทำให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิกามีสองอย่างหนึ่งการมีสินห้าสองมีอุโบสถ8ประการนี่เป็นอุบาสกบาสิกาในพุทธศาสนาแล้วและความเป็นโสดาบันไม่มีสิน8ปเป็นเครื่องวัดนะไม่มีอุโบสถ8ประการเป็นเครื่องวัดมีแต่ สินห้าเป็นเครื่องวัดศินห้าบวกกับโสตาปฏยังคัสสีเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนาตรัยเป็นโสตบัญให้พยากรณตนเองได้เลยอะ <c oughs> อันนี้ความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนาตรัยมันมีความลึกซึ้งนะมันมีอะไรบ้างเช่นว่าพระเจ้าบอกว่าเธอจะไม่กระทําซึ่งวัตโกตูละมงคลมงคลภายนอกของสารรมาพามณ์เหล่าอื่น โยมจะเลิกละบูชาไฟบูชาดวงจันทร์บูชาดวงอาทิตย์บูชาสารบูชาเทพเจ้าพระโนนนี้อู้รูปอั้รูปหล่อเต็มบ้านไปหมดเลยใช่ไหมอ่าโยมก็จะเลิกมีแต่พระรัตนตรัยล้วนๆมั่นคงนะผ่านไม่ไหว้ไม่เสียวไม่หวันไหวจิตใจไม่สะดุ้งนะพระองค์เรียกว่าความสะดุ้งว่าเสียวสันคลนแห่งจิตมันจะมีนะ อตาตมาก็เคยไหว้สารพระภูมิสารเจ้าที่มาตลอดพอปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆนะตอนสมัยเป็นนักเรียนแม่จะเลิกไหว้มันก็ยึ๊๊ยยักยั ก, กอยู่นะเดินผ่านมายุงโวกับน้องฝ่ายสักหน่อยวะแหมมันเสียวนะอโอ้เข้าไม่คุ้ม ค, ครองกลัวเกิดอุบัติเหตุเพศภัยอะไรปีปาถะนั่นคืออะไรเราคิดว่ามีใครโดนบันดาลอะไรให้ได้ใช่ไห ถ้าเทวดาบันดาลได้พรมบันดาลได้แล้วใครบันดาลพรมใครบันดาลเทวดาอีกต่อให้ไปสู่นระกกำหนจดในสารปีวิสัยอุ้ยใครใหญ่กวายนะใช่ไหมตกลงล้อครมันเป็นผู้คุ้มกฎนะสั่งคนโน้นไปนี่คนนี้ไปนั่นไปนั่นไปนี่นะคงจะสับสนนะเพราะสัตในโลกนี้มีมากมายมหาศาลคงจะจิตฟุ้งซ่านน่าดูนะไม่มีใครหรอกเรื่องระบบโลกอาาศนะมันกําหนดตัวมันเองอิทัพปัญญาตานั่นเองปฏิจจสุบาต เป็นกฎของธรรมชาติใครสั่งให้ฝนตกใครสั่งให้แดดออกจะไปรู้มันเหรอนะมันจะออกมันก็ออกมันจะตกมันก็ตกนั่นนะไม่มีใครเป็นคนสั่งหรอกนะนี่เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ท่ะขอถามเรื่องสิ่งสิ่งข้อหนึ่งหน่อยก็แล้วกันนะคะที่ท่านพูดว่าเอ่อถ้าฆ่าโดยที่ไม่ตั้งใจนี่ไม่บาปกับฆ่าที่ตั้งใจแล้วบาปท่านนั้นมีคนพูดว่า ที่ฆ่าตั้งใจฆ่าเพราะต้องการทําเป็นอาหารเพื่อรับประทานนะคะดังนั้นก็แสดงว่าจะบาปหรือไม่บาปแล้วไตั้งใจฆ่าแล้วก็เพราว่าตั้งใจฆ่าแต่ว่าฆ่าเพื่อเป็นอาหารมางคนบอกไม่บาปเพราะว่าไม่ได้เอามากินไม่ได้เอาไปทําเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะเสือมันก็บอกว่าฆ่าเพื่อเอามากินเหมือนกันฆ่าฉันนะนะแล้วฉันจะให้ยอมให้มันฆ่าไม่นีใช่ไหมทุกคนก็ห่วงชีวิตทั้งนั้นแหละแต่ ใชคะวทุกทีก็คงจะเคยได้ยินเหมือนกันหมดว่าอเออค่าเพราะว่าทำเป็นอาหารใช่ไหมคะมันอยู่ที่ใครพูด่ะสถาคกฎพูดไหมว่าทำเป็นอาหารแล้วไม่บาปนั้นแน่นไป<อ>ฟังคาสาวกมาเนี่ยนะ <laughs> <laughs> อย่าไปยิ้วหูลงฟัง <m> อ ในพุทธวจนะกล่าวถึงนรกสวรรค์ไว้อย่างไรโอ้กล่าวไว้เยอะถ้าในพุทธวจนะมีกล่าวไว้แสดงว่านรกสวรรค์มีจริงความคิดนี้ถูกต้องหรือไม่ทูกสิถ้านรกสวรรค์ไม่มีอริยบุคคลก็ไม่มีนะเพราะอะไรเพราะอริยบุคคลแต่และพวกเนี่ยเกี่ยวเนื่องด้วยสวรรค์นรกทั้งนั้นเลยค่ะท่านคะต่ อ, อ, ต, อต่ออีกหน่อยยังยังยังไม่ค่อยซึง้งค่ะอัอนนี้เมื่อ ตัวเอตัวลูกศิษย์เองนะคะค่าไปแล้วอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนให้เพื่อนกินให้ถวายพระว่าเออนี่ค่าเพื่อเป็นอาหารถวายพระค่าเพื่อให้เพื่อนได้มีกินอย่างเงี้ยคนที่กินคนที่ฉันจะบาปไหมคะไม่บาปเพราะ<ข>าอะไรเพราะเขารู้ว่าอตัวลูกศิษย์เองเนี่ยทําเพื่อเขานะคะ<อ>เขาจะไม่บาปเลยเหรอจะแบ่งบาปให้คนค่าคนเดียวเหรอคะบอใจบ่ดใจมันเป็นจังสี่ฟังอ่ คืออย่างนี้เยอมนะพระุ้าเนี่ยอนุญาตให้ฉันแปลและเนื้อได้โดยสามส่วนหนึ่งไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราฉันได้แต่ถ้าเขารู้ว่ายงค่าเพื่อเขาเขามีสิทธิที่จะไม่ฉันอาตมารู้ว่ายงค่าเนี่ยเพื่ออาตมาให้ทานเป็นอาหารอาตมารู้ทั้งรู้แล้วทาน ผู้เจ้าปรับประบาดทุกกฏนนะแต่ถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราทานได้ขนาดไม่รู้นะแต่ลังเกียจเนี่ยไม่ได้เห็นไม่ได้ยินนะแต่ลังเกียจเช่น <c oughs> อะไรเดินบินตบาตไปนะโยมก็มาใส่บาดก็เห็นมีไก่อยู่ตัวไอ้แจ้มาทุกวันเลยมีอยู่วันไอ้แจ้หายไป <c oughs> มาอยู่ในบาดแล้วนะ <c oughs> โอ้แกงไก่วันนี้สงสัยไอ้แจ้หนะ้าเลยเนี่ยนะ ลังเกียจกินไม่ลงน ะ, อ, ะอย่างเงี้ยลังเกียดนะไม่ฉันได้เขจานนะหพระอาจารย์คะที่พระอาจารย์ได้พูดถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพ ร, นระตนะไตรดิฉันไปที่อินเดียแล้วก็เขาพาไปที่ไปดูาาศาสนาฮินดูอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเห็นรูปเทพพระเจ้า ก็ยกมือไหว้แล้วพระที่ไปด้วยก็บอกว่าโอ้ยอย่างเนี้ยไม่บรรลุแน่นอนเพราะว่าไปไหว้เทพเจ้าที่อจะขอกับเรียนท่าอาจารย์ว่าเมื่อกี้ท่าอาจารย์ยกตัวอย่างว่าพระภูมิพระภูมินี่เราก็ไม่ควรไปไหว้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นเทพหรืออะไรก็ตามซึ่จริงๆไม่ได้เป็นข้อความเลื่อมใสแต่เราไม่อยากจะล่วงเกินเมื่อเราไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์หรือศาสนาที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาเราก็ยกมือไหว้ ไม่ควรทําอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวใครปั้นลูกปั้นหมาโยมก็ไปไหว้นะวันดีครับหมากลับไปไหว้กลับไปบ้านเนี่ยไหว้ไก่แจ้มะไหว้แมวไหว้หมามาไหว้อย่าไปร่วมเกินมันนะเอ๊ะทาไมเราปรารถนาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเคารพการกราบไหว้เนี่ยศาสนาบัญญัติด้วยนะบุคคลควรไหว้บุคคลไม่ควรไหว้โยมเห็นเข้าใส่สูตรปูุกนึกใครมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะหรือว่า เราไหว้กันที่อะไรเคารพกันที่ศีลมีศีลดีมีข้อประพฤติตายกายดีวาจาดีนะเพราะนั้น <c oughs> เราเนี่ยเวลาไหว้เคารพสักการะอะไรเนี่ยยมไหว้าสารยมไหว้พระปุ่มนะดูเจตนาของเราดีๆซิว่านะเจตนาเราเนี่ยหวังจะให้ท่านคุ้มครองว่ะขอให้ลูกรวยเถิดขอให้อยู่รอดปลอดภัยเถิดอย่าให้ป่วยเลยเนี่ยปราถนาทั้งนั้น นะแล้วถ้าโยมบอกว่าไม่เห็นปาถนาอะไรเลยลองพลิกกลับนะไม่ไหว้แล้วเสียวไหมอืมไม่ไหว้แล้วทุกไหมอ่านั้นโยมไม่ไหวยต้องไม่ทุกนะมันมีจริงเปล่าก็ไม่รู้นะไอ้นี่ปั้นอะไรขึ้นมาเพตั้งไว้อ่าเอาพวงมาลัยไปใส่สายหน่อยอีกสิคนเดินมาไหว้กันหมดเลยเนียสันพะุน่งตั้งคืนปั้นปูนเมื่อกี้นี่เองนะมีมาอยู่เปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมเราก็ไม่รู้นะ เจออะไรก็ไหว้แหลกเลยยกมือไหว้ไปเรื่อยแล้วถ้าโยมไปอินเดียเนี่ยโอ้โหเทพกี่ร้อยอะ่ะมีไปเพียบเลยแล้วโยมมาไหว้มันด่าอะไรไหมมือเป็นฝักถั่วเลยเจอนี่ก็ไหว้นี่ก็ไหว้นี่ก็ไหว้ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะชีวิตไม่พลาสุกเลยไปไหนก็คอยระวังเจะพลาดลืมไหว้ตรงนี้เปล่าเหลียวซ้ายแลขวาต้องคอยระวังไปหมดเลยนะอะไม่ต้องไปนสนใจอะไรและถ้าเราปฏิบัติตำ ปฏิบัติธรรมจนเป็นโสดาบาันบุคคลตกลงลว่าใครต้องไหว้ใครเขาอะต้องไหว้โยมไม่ใช่เหรอโยมเป็นอะไรบุคคลแล้วพ้นจากความตายพวกเทวดาทั้งหลายพ้นจากความตายหรื อ, อยังยังนะนอกจากเทวดาที่เป็นอะไรบุคคลนะ <c oughs> เทวดาพรหมทั้งหลายเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยผู้เจ้าบอกเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกับเนรเดชานุเกตวิสัย ตกลงแล้วปุตชชนเทวดาที่เป็นปุตชชนควรไหว้อริยบุคคลหรืออริยบุคคลควรไปไหว้เทวดาที่เป็นปุตุช น, ออคคไไ น, ชนตกลงแล้วใครไหว้ใครกันแน่ยอมจะยกมือไหว้เทวดาบอกเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อ ง, มองผมไหว้ท่านเองนะเพราะท่านเป็นอริยบุคคลนี่เราไม่รู้สถานภาพของเราเหรอใช่ไหมอย่างนี้อืมรับใหม่นะนี่เซนเนี่ยอข้างหลังอ่าฮะ Uh huh. กรณีมากเลยเราจะยังไงถึงจะเรียกว่าทาใจเราไม่ให้หวั่นไหวในพระสงฆ์ครับไม่ใช่ยงเข้าใจผิดเรื่องไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์สงสาวกของพระตาาคตหมายถึงอะไรนะแต่งเครื่องแบบนี่เป็นสงสาวกหมดหรือเปล่าคือผู้ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบนั่งไงนั่งท่องกันนั่งโสวดกันอยู่ทุกวันนี่ไม่เอามาใช้เนี่ยนะปฏิบัตดิดีตรงควรชอบ ตามคําของใครคําของตถาคต <c oughs> พระองค์เปรียบด้วยอะไรพระองค์เปรียบด้วยลาที่เดินตามฝูงโคไปอีกเท้ามันก็ไม่เหมือนสีมันก็ไม่เหมือนเสียงมันก็ไม่เหมือนแต่มันก็ร้องประกาศอยู่ว่ากูเป็นโคกูเป็นโคนะลาเดินตามฝูงโคไปแล้วประกาศอยู่ว่ากูเป็นโคนะสีก็ไม่เหมือน อีท้าก็ไม่เหมือนเสียงก็ไม่เหมือนภิกษุก็เหมือนกัน <c oughs> ข้อประพฤติกายวาจาของเขาก็ไม่เหมือนข้อประพฤติทางจิตตสิกขาก็ไม่เหมือนปัญญาสิกขาเขาก็ไม่เหมือนกับภิกษุทั้งหลายก็ร้องอยู่เองว่าข้าก็เป็นภิกษุข้าก็เป็นภิกษุดังนี้ตกลงแล้วเป็นภิกษุัหมไม่ได้เป็นสงสาวกของตถาคตคือหนึ่งโสดาบันสกท า, าคามีอนาคามีพระอะหรหันต์ต่ำกว่านั้นตัดไว้อีกเจ็ระดับ 1. ผู้ที่มีศีบลบริบูรณ์ 2. เข้าสมาธิในระดับรูปสัญญาได้อรุปสสัญญาได้โสดาสิกิทาคาอนาคาพระนเจ7ระดับนี่คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงๆนั่นคือโยงต้องเชื่อมั่นว่าถ้าบุคคลใดมาประพฤติธรรมะของตถาคตนี้แล้วเนี่ยจะสามารถบรรลุธรรมได้เปลี่ยนจากความเป็นปุิชนให้เป็นอริบุคคลได้ โยมต้องเชื่อมั่นตรงนั้นถ้าเชื่อมั่นว่ามีจริงนั่นแหละเรียกว่าเรื่อมใสในพระสงฆ์เวลาโยมปวดหัวอาตมาเอาอยา่าน้ำขาวให้โยมกินโยมเชื่อมหมมีเชื่อบ้านีเย็นแล <c oughs> ใช่ไหมอ่าะฉะนั้นถ้าอาตมาเอาแอสไพรินหรือพาราเซทให้โยมโยมกินมะอกินเพราะโยมมีอะไรมีศรัทธาศรัทธาพโยมเคยอะไร เคยเห็นคนที่ปวดหัวแล้วกินพาราเซตามอนแล้วหายจริงมะเราเคยเห็นคนที่เดินตามคำตถาคตแล้วหลุดพ้นเป็นอริบุคคลพ้นจากแก่เจ็บตายมีข้อประพฤติกายวาจาที่ดีความโลภโกรธหลงน้อยมีจริงนะเคยสัมผัสเคยผ่านเราจึงเลื่อมใสในพระสงค์อย่างนั้นอาจไหมนี่ความบรกซุ้ธเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ยัคนไหนเนาะ อาจารย์ฮะพดีจะสอดคอกับน้องผู้ชายเมื่อกี้อะฮ ะ, อะตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนพระที่มีความโลภว่าอพวกเธออย่ า, า, ยายมันมีอยู่บทหนึ่งในปฏิญาจสมุดบาทว่าอาชีพที่น่ารังเกียจที่สุดคืออาชีพขอทานอืนลออและคํำสาปแช่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือคําสาปแ <ค cussion S 1> <า>ช่งว่าให้เธอไปถื<ข>อกลาไปขอทานอะไรอย่างนี้ฮะตอนนี้คือ พระหลายลูกผู้ที่ใส่ผ้าเหลืองหลายคนเนี่ยจะเวลาเราใส่เนี่ยแล้วเขาก็เลือกแล้วก็เหมือนเนี่ยคือถ้าเราคิดถึงบทนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราควรจะใส่บาตรดีมคะก็โ ย, ยมต้องพิจารณาเองน ะ, ะเพราะว่าพระเจ้าก็ตรัสบอกไว้หมดแล้วว่าสงสาวกใหมายถึงอะไรต้องมีอากัปกิริยาอย่างไรประพฤติข้อวัดปฏิบัติอย่างไรโยมศึกษาแล้ว ยมไม่เข้าใจอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะการจะไปห้ามผู้ใดให้ทานก็ห้ามไม่ได้พระองค์บอกว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใชมิ d เป็นการทำอันตรายต่อรากของปติกาหกคือผู้รับทานตัวเองก็เป็นการขุด่ากตัวเองด้วยนะนั้นการห้ามผู้ใดให้ทานไม่สมควร <c oughs> ให้เขาให้ไปเพราะเขายังได้อา น, นิสงนะพระองค์บอก แม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อเนี่ยลงในน้ำโสโครกด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทำกับมนุษย์ได้กันนะแต่ผลกระทบมีไหมถ้าโยมทำกับภิกษุที่ไม่ดีมีศาสนาจะอายุสั้นนะพระสัตว์ธรจะเสื่อมเร็วโยมหวังอ น, นิสงส์ตัวเองเพราะยังไงก็ได้ทำกับสัตว์ก็ยังได้ทากับมนุษย์ก็ได้นะหวังแค่อนิสงส์ตัวเอง ไม่กังวลผลกระทบต่อส่วนใหญ่ต่อศาสนาก็ไม่มีใครไปว่าได้ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมอันนี้ก็ต้องปล่อยตามเหตุตามปัจจัยพระองค์บอกให้เลือกเนื้อนาที่ดีข้าบดีมีข้าวอยู่เนี่ยจะหวานลงในนาดีนาปันกลางหรือนาเลวนะเราก็ต้องเลือกเอาต้องพิจารณาการเลือกการพิจารณาให้ควรไม่ได้ผิดนะเป็นการใช้ปัญญาก่อน เพื่อให้เกิดอ น, นิสง์มากที่สุดในการทำทานของเราและเพื่อความตั้งมั่นของพระศัทธรรมทั้งนี้ไม่ได้หวังอะไรหวังความตั้งมั่นดวงจิตอีกหลายร้อยหลายแสนหลายล้านดวงที่กำลังเกิดตามขึ้นมาเขาจะได้รู้อริสัตธ์สี่เพื่อผลทางแห่งความหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายไม่ใช่มาจอดอยู่แค่ตรงนั้นใช่ไมอืมอ่ะมีประเด็นอื่นไห การนมัสการค่ะถ้าไม่ทราบค่ะหมายถึงว่าบุคคลทั่วไปย่อมไม่ทราบว่า<ม>ความประพฤติของพระพิกษุรูปนั้นๆเป็นอย่างไรในกรณีที่เราทราบไม่รู้จักการตั้งจิตในการกระทําทานเนี่ยเราควรตั้งจิตเริ่มยังไงดีคะไม่รู้ว่าการประพฤติปฏิบัติพระภิสูรรูปนั้นๆเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่ค่ะเริ่มต้นเราต้องทําจิตเราไว้ยังไงคะ ตั้งจิตไว้ว่าให้ทานนะเป็นการถวายทานแก่สงฆ์ไม่จเพาะเจาะจงลงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะที่เรียกว่าเป็นสังฆทานดังนั้นสังฆทานนี่ไม่ใช่ว่ามีนิสงฆ์มากกว่าปาติปุริกรทานทั้งหมดก็ไม่ใช่นะผู้เจ้าบอกว่าให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ ให้กับพระโสดา บ, บันร้อยองค์สู้ให้กับพระสะกทาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระสะกะธาคามีร้อยองค์สู้ให้กับพระลานาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระลานาคามีร้อยองค์สู้ให้กับพระหลานองค์เดียวไม่ได้ย <c oughs> อยู่ที่ตัวคุณธรรมด้วยถ้าคุณธรรมเท่ากันตัวองค์คณะมากกว่าแต่ถ้าคุณธรรมไม่เท่ากันถึงแม้จะมีองค์คณะมากคุณธรรมสูงกว่าองค์เดียวก็มากกว่าองค์คณะนั้นทั้งองค์คณะเห็นไหมมีพระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ ในพระสูตรที่พระองค์เกิดเป็นพราม์ชื่อเวลามานะนะถ้าเราจะไปสืบค้นดูนะข้อถามต้องขอประธานโทษจะถามบ่อยมากกว่าคนอื่นไปหน่อยคื อ, อยังคื อ, อยังสงสัยอยู่นะคะจะเป็นคนแบบชาวบ้านธรรมดาก็คือว่าเอาเป็นว่าถ้าท่านบอกว่าไปเจอรูก ป, ปั้นหรืออะไรถ้าเราไหว้ไปก็เหมือนกับเราอย่างนั้นก็รูก ป, ปั้นสัตว์อะไรก็ได้ทีนี้ ถ้าเกิดว่าจะเป็นคนขอบ้างคือเราคิดว่าเทวดานี่มีจริงไม่นะแต่ในพุทธวาจาบอกว่าเออถ้าทำดีตรงนั้นจะไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าในเมื่ออา่าวมีเทวดาแล้วนะในเมื่อมีเทวดาเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวออโยมเองจะจะบอกเทวดาว่าจะขอไอ้นู่นขอไอ้เนี่ยเทวดาจะรับรู้ไหมจังจะขอได้ไหมอย่างเนี้ยฉะนั้น นั่นโยมก็เข้าสู่มิจฉาทิฏฐิแบบ ท, ที่หนึ่งคิดว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาลเออเหนนะ็นไะมเนี่ยลืมประสูนนี้ไปอีกนะพึ่งบอกหยกหยกจะได้ไม่ต้องขอเทวดาแล้วบางครั้งเอ๊ะเทวดาทำไมไม่เอ <laughs> เทวดาเหนื่อยแย่เลยคนน้อนก็ขอคนนี้ก็ขอทำให้ไม่ถูกเลยแถมยังบอกมีเทวดาประจำตัวโอ้โหถ้าไปเกิดเป็นเทวดานะมานั่งเฝ้าโยมนะอย่าไปเกิดเลยนะ จะเข้าห้องน้ำห้องท่าไปโน่นไปนี่ต้องมานั่งเฝ้านะเป็นยามเฝ้าตายนะเหนื่อยตายนะสุคติของเทวดาเป็นอะไรรู้ไหเทวดาอยากเกิดเป็นอะไรอยากเกิดเป็นมนุษย์ไอ้มนุษย์ในขยันอยากเกิดเป็นเทวดานะดูสิมันไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีใช่ไอ่า ตอนนี้คำถามนี้ยังไม่จบเลยนรกสวรรค์น่ะมันพัวพันกับเรื่องอรอยิยบุคคลอยู่พระผู้ที่พ้นแล้วจากนรกกาเนิดเดชานเปรตวิสัยนั่นคือโสดาบันบุคคลนี่คือประโยชน์ของโสดาบันบุคคลและโสดาบันบุคคลเมื่อพ้นจากนรกแล้วจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดครั้งไม่มีพบที่แปดของโสดาบัน ก็จะได้สมเร็จเป็นพระหลานและในระหว่างการเกิดเจดครั้งนี้จะมีสมกลุ่มเทเวจะมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีกเจครั้งเห็นนะถ้าเทวดาไม่มีผู้เจ้าก็ บ, บัญญัติบิดแล้วโสดาบันพวกสักตะกตูประมังนะพวกที่สองโกลังโกละกลับมาสู่สกุลสองถึงสากล่าวพวกที่สามเอกพีชี กลับมาสู่พบมนุษย์อีกเพียงคราวเดียวและสกาธาคามีกลับไปสู่เทวโลกคราวเดียวเป็นเทวดาคราวเดียวและจปละปรินิพานในพบนั้นอนาคามีก็ไปเป็นพรหมคราวเดียวและปรินิพานในพบนั้นถ้าพรมไม่มีเทวดาไม่มีอะไรบุคคลก็ผิดหมดมันพัวพันกันหมดนะเห็นไหนั้นมีแน่นอนการพูดคาการพูดพุดทธเจนะ คำพูดของพระพุทธเจ้าท่องได้พอเวลาจะตายจะขึ้นสวรรค์หรือกัสโดยไม่มีความรู้ในคำพูดวจนะนั้นเลย <c oughs> ยมต้องเชื่อมั่นในพระตาตาคตยมไม่ต้องมีความรู้ในคำพูดพูะเจ้าหรอกแต่ขอให้รู้ภาษาไทยถ้าคนนั้นเขาพูดภาษาที่ยมใช้นะ ไม่ใช่ก่อนตายไปพูดภาษาอังกฤษเราก็ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมันไม่รู้เรื่องแน่นั่นพูดไปเถอะนะแต่ถ้าพูดภาษาไทยเนี่ยรับรองรู้เรื่องนะมันจะเข้าหัวนะความตายมันกําลังมาแล้วนี่มันตายจริงแล้วนี่ใช่ไหมกำลังนอนประแงประแงบแล้วเนี่ยพูดเรื่องอะไรสักสี่เกิดแก่เจ็บตายนะโอ้โหเข้าดีนักเลยนะเริ่มทําจิตแล้วเออตายจริงเว้ยลูกเมียพ่อแม่ต้องละทิ้งหมดแล้วสมบูร์สมบัติละทิ้งหมดล ะ, บบดล ะ, ดละจบละนะ ไปแล้วต้องวางจิตตัวเองนะมันกําลังเนี่ยอินทรีย์อินทรีย์ห้าของเขาเนี่ยจะเข้มแข็งขึ้นมาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลนั่นแสดงว่าพระตถาคตเห็นแล้วว่าคนกําลังใกล้จะสิ้นใจเนี่ยอินทรีย์ภาวนานเนี่ยมันจะสูงมากขอให้ได้ยินได้ฟังคําตถาคตเนยมันจะบรรลุธรรมเลยและการบรรลุธรรมของคนที่บรรลุธรรมก่อนตายตรงเนี้ย ไม่ต่างกันกันกบคนบรรลุแล้วแม้ร้อยปีผูเจ้าบอกเท่ากันได้เท่ากันนแต่อย่าไปเสี่ยงนะฝึกตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวเวลาใกล้าตายดันไม่มีใครมาเปิดคำผู้เจ้าให้ฟังแหไปรอหวังความหวังจากคนอื่นนะต้องทรงจำเอง การทวัตการค่ะจะถามนิดนึงตรงที่ว่าเ อ, า เ, อาเกี่ยวกับเรื่องว่ารู้ลมหายใจคือล้มแล้วเหมือนจะมีโดยเราไม่ต้องมาบริกรรมแล้วทีนี้จะมีคำพูดอีกหนึ่งว่ารู้ทั่วตัวพร้อมเนี่ยค่ะตรงพ <หา S 1> ร้อมตรงนี้หมายความว่าไงคะช่วยอธิบายด้ก็คือการรู้ลมหายใจรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกองลมทั้งปวงนะยัต้องนั่งรู้ลมหายใจไปเรือ่อย เหมือนในส่วนของสมมุติว่าลมพัดหรือเวลาเราไม่ใช่ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ได้เกี่ยวข้องกับธาตุดินไอ้นั่นมันธาตุดินเนื้อ<ะ>ผิวกาย<ะ>นี่ให้เอาจิตอยู่กับลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าหนาว<ะ>จิตอยู่กับลมไหลเข้าไหลออกอาตมาถึงกําลังจะบอกว่าขนาดที่โยมรู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆเนี่ยเข้ายาวรู้ออกยาวรู้ต่อไปเนี่ยยาวสั้นมันจะไม่มี ลมมันจะละเอียดมากมันจะนิ่งนะมันจะละเอียดโยมจะหาสั้นยาวไม่เจอแล้วนะจะรู้แค่ว่ามีลมไหลไหลจังหวะมันจะสม่ําเสมอมากขึ้นนะนั่นแหละกําลังเริ่มรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกาทั้งปวงรู้กองลมทั้งปวงว่าลมเนี่ยไหลเข้าไหลออกรู้แค่ว่ามีลมอยู่ไหลเข้าไหลออกแค่นั้นเอง<ฮ>และบางทีโยม น, นั่งไปเนี่ย จิตเมื่อละเอียดขึ้นลมจะละเอียดขึ้ น, ล ะ, น, นละเอียดขึ้นเบาขึ้นละเอียดเรื่อยๆมือก็หายเท้าก็หายตัวก็หายไอที่รู้สึกว่าลมพัดตัวเย็นเย็นไม่มีแล้วเพราะร่างกายไม่มีแล้วมันอยู่แต่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกแล้วลมก็ละเอียดมากขึ้นจนทั่งจตุจานลมหายไม่มีลมจิตเริ่มปล่อยรูกประธารูกประสัญญาจิตจะไม่เกาะก้อนกายแล้วจะไปเกาะนามธรรมที่ละเอียดปราณีตขึ้นไปตามลําดับ น, นี่เป็นอย่างนี้<ะ>ตายแล้วเกิดทันทีไหมไม่แ น, น่เกิดทันทีนั่นแหละแต่จังหวะในการเกิดแล้วแต่ว่าเราเนี่ยมีความอยากในพบใดและเมื่อไปถึงพบนั้นแล้วเราพอใจหรือไม่ ถ้าพอใจก็ฝังอยู่ตรงนั้นถ้าไม่พอใจก็ยังหลุดได้ระหว่างการสแสวงหาที่เกิดเนี่ยจะเข้าจะออกเนี่ยเรียกสัมภเวสีซึ่งระยะเวลานี้มีไม่นา น, นะระยะเวลานา น, านในตรงนี้เปรียบเทียบพระตถาคตเปรียบเทียบเหมือนสัตว์ที่เกิดในคันบอกกับพระนนว่าถ้าวิญญาณเนี่ยไม่ก้าวลงสู่คัน นามรูปจปับปรุงตัวต่อได้ไหมพ้ะนรินบอกไม่ได้และถ้าก้าวลงแล้วแตกสลายปรุงตัวต่อได้ไหมไม่ได้ก้าวลงแล้วเป็นเด็กชาย mm hmm. เด็กหญิงปุงตัวต่อได้ไหมไม่ได้ถ้าแตกสลายนี่คือจังหวะความนานของสัมภเวสีมีแค่นี้นั้นต้องแกะโดยพุทธวจนะนั้นพวกสัมภเวสีที่พูดกันบอกกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะั่นมันแต่งเองะ อันนี้เราเช็คจากพระสูตรว่าสัมภเวสีมันหมายถึงอะไรกันแน่นะดังนั้นมันจะมีแค่ช่วงระยะเวลาสัน้นๆเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วพวกนี้ยังไม่ได้อัตภาพที่โยมเห็ น, นวิญญาณมันลอยไปลอยมาเห็นแวบไปแวบมาไอ้พวกนี้ได้อัตภาพแล้วได้อัตภาพแล้วมีโลภโกรธหลงในร่างกายเขาตรงนั้นแล้วซึ่งกายเขามีหลายรูปแบบ กายที่สำเร็จด้วยมหาพุททธาสี่นี่แบบหนึ่งสำเร็จด้วยใจแบบหนึ่งสำเร็จด้วยสัญญาแบบหนึ่งการได้อัดตามีสามแบบพุทธเจ้าบอกนะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ช่องระหว่างนั่งสมาธิชาหนึ่งถึงสี่ิ่งการเกิดดับของจิต อาจารย์บอกว่าสัญญาเก่าดับสัญญาใหม่เกิดช่วยอธิบายด้วยไม่ใช่สัญญาเก่าสัญญาสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งดับไปศาสดาบัญญัตินะอ่าเพราะฉะนั้นโยมอย่ามาบอกว่าอาตมาพูดนะพระวิชาบอกนะอาตมาแค่เอาคําศาสดามาพูดเดี๋ยวจะว่าอาจารย์รีบๆไ ป, ป, ปบัญญัติตรงนี้พระเจ้าบอกเวลาเราเข้าชาหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะ สัญญาอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งจะดับไปจากสองไปสามสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งดับไปจากสามไปสี่ก็เหมือนกันสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งดับไปจิตจะเลื่อนไหลเข้าไปสู่สัจจะสัญญาอันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องของสมาธินะเดียวกับหนังสือพุทธรน เรื่องภัยวิบัติของโลกข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรผู้ทธาจำนายที่แต่งขึ้นปัจจุบันเนี้มันมันไม่ใช่พุทธวจนะอย่าไปสนใจในพุทธวจนะเนี่ยมีตรัดไว้แล้วเช่นในอนาคตจะมีดวงอาทิตย์ถึงเจ็ดดวงจะทยอยเกิดขึ้นมาทีละดวงทีละดวงแล้วโลกเนี่ยยังอยู่ไปอีกหลายแสนปีอีกหลายล้านปีนานมหาศาลมาก องค์บอกว่าอีกหลายแสนปีจะมียุคฝนแรงนี่ผ่านมาแค่สองพันนาร้อยกว่าปีเองอย่าไปเป็นกระต่ายตื่นตูมนะอะยังอีกนานอพอยุคฝนแรงแล้วเนี่ยต้นไม้จะล้มตายหมดทั่วโลกจากนั้นอีกการนานไกลจะมีดวงฤทิ์ดวงที่สองปรากฏป้วยหนองคลองบึงจะเหือดแห้ง อี ก, กาลนานไกลดวงทิศดวงที่สามปรากฏแม่น้ำเหือดแห้งอี ก, กาลนานไกลดวงทิศดวงที่สี่ปรากฏมหาสระต้นน้ำของแม่น้ำเหือดแห้งอี ก, กาลนานไกลดวงทิศดวงที่ห้าปรากฏทะเลเหือแดแห้งดวงที่หกปรากฏแผ่นดินแล้วอุ่เป็นก้อนดงที่เจ็ดปรากฏมหาปฏภีละลายนี่พุทธวจนะเป็นอย่างนี้ มีอีกหลายพระสูตรเือนการเกี่ยวกับเรื่องของโลกนะยังต้องไปอ่านในอะลิสัตจัปพระโอษฐ์การฟังธรรมพุทธวจนะแล้วเกิดน้ำตาไหลออกมาอาการอย่างนี้เรียกว่าอะไรอาการอย่างไรนะถ้าโยมเข้าใจทราบซึ้งในคำพระตาตาคตนะ์ก็เป็นอาการของปิติของความสุขของการที่ได้เข้าใจในถ้อยคำของพระาศาสดา จะเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นขึ้นมานะเพราะคำพระตถ า, าคตเป็นอนุสาสนีปฏิหารนะไม่ใช่คำของมนุษย์ธรรมดาทั่ ว, วไป <c oughs> อยากทราบว่าการโบทอุปสมบทภิสษุสมานเณรฤดูร้อนแบบนี้ถูกต้องตามพุทธเจ้ะหรือไม่ <c oughs> เราควรปฏิบัติอย่างไรถ้ามีผู้มาบอกคุณให้ร่วมจัดอุปสมบท แลวถ้าเราจัดปฏิบัติให้ถูกต้องควรทำอย่างไรการบวชมีได้ตลอดน่ไม่มีเกี่ยวกับฤดูร้อนหนาวฝนอะไรหรอกบวชเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีจำกัดการอุปสมบทพระศาสดาก็บัญญัติวิธีไว้แล้วเดินตามนั้นท่นนี้เขามาบอกบุญเรื่องอุปสมบทเนะี่ยเขาอุปสมบทตามพุทธวจนะไหม เขาสอนตามพุทธวจนะหรือเปล่าและถ้าเราส่งเสริมจะส่งเสริมสิ่งที่เป็นพุทธวจนะหรือส่งเสริมคำสาวกถ้าเราจัดเองนะเราก็จัดตามที่พระศาสดากุระบุมีศรัทธาอยากจะมาบวชเพราะเห็นว่าอะไรเขาเห็นว่ า, า, วาคารวะครับแค่เป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่าง การที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบรูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยทำได้ยากฉะไหนเราจะพึงปรงผมและหนวดคลองผ้ากาสายะออกจากเรือนโบวถเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดนะเพราะก็เห็นว่าบรรพชาเนี่ยเป็นโอกาสว่างก็ถ้าเราทำถูกต้องตามพระศาสดา ก, ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก การใส่บาตรพระสงฆ์ถือเป็นการให้ทานวันพระเป็นวันที่ญาติโยมเจ้าอันไปใส่มากอาหาจะเหลือทิ้งถึงคิดว่าใส่ในตู้ข้างน้ำข้าไฟเป็นปัจจัยสองเวลาปฏิบัติธรรมช่วงเช้าเย็นนั่งสมาธิปลดความเพียรนำบุญ <c oughs> ท, ท, ที่ได้รับนี้มาใส่บาตรในตอนเช้าได้หรือไม่ด้วยการบอกกระสงว่านาบุญมาถวายพ <c oughs> ระสงฆ์เนี่ย เดินพินตาบาดเนี่ยสแสวงหาอาหารนะไม่ใช่สแสวงหาบุญดิยมทําได้ว่านะกินไม่อิ่มนะนะอัตภาพไม่พอเป็นไปนะอุ้ยเจ้าบอกว่าเป็นการสแสวงหาอาหารด้วยกําลังของปลีแข่งนะนะอ่นั้นไม่เห็นจำเป็นจะต้องเอาบุญเที่ยวไปประกาศโพธณาบอกใครความดีของตนเองเมื่อไม่ถูกใครถามก็ไม่นํามาเปิดเผยให้ปรากฏ เมื่อถูกใครถามก็พยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวถึงความดีของตนเองโดยละเอียดไม่ใช่ไม่ถามฉันก็บอกอ่ะฉันอยากประกาศละเกินความดีของฉันมันมีเยอะละเกินนะอ่านั่นนะสัตสัตบุตรนะถ้าที่ยวประกาศความดีตนเองน ะ, นะแต่สัตบุรุษคนดีเขาจะประกาศความดีคนอื่นความดีของคนอื่นแม้ไม่ถูกถามก็จะบอก ถ้าถูกถามจะไม่หลีกเลี้ยวลดหย่อนจะกล่าวความดีของคนอื่นนั้นโดยละเอียดให้รู้ถือว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษ <c oughs> สูนความไม่ดีนั้นความไม่ดีของผู้อื่นเมื่อไม่ถูกใครถามก็จะไม่พูดแต่เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของคนอื่นก็จะพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียด ไม่ใช่ถามฉันนะถูกคนเลยบอกหมดน ะ, ะหมดเปลือกเลย น, นี่แหละอสัตบุรุษนะอ๋ะเอเข้าใจนะเทวดาบรรลุธรรมได้ด้วยหรือไม่ได้พรมได้นะได้หมดนะเคยได้ยินมาว่าพบมนุษย์ซึ่งมีกายหยาบเท่านั้นจึงจะบรรลุธรรมได้ ไม่จริงมีพระสูตรเยอะแยะที่เทวดาบรรลุธรรมนะนะปีแรกก็งงๆแบบพวกเรานี่แหละพอมาอ่านพุทธศนะาสนาอ้าวเจอเต็มเลยครเจ้าบอกถ้าเธอทําเข้าสู่ปฐมฌานได้แล้วตายในขณะนั้นเนี่ยก็จะไปเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนตายแล้วไม่พนนลนรกแต่ถ้าเข้าปฐมฌานได้แล้วเห็นการเกิดดับ ตายไปจะไปเป็นเทวดาและเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลและจะปรินิพานในภพนั้นนะก็มีการต่อยอดในภพนั้นอีกทีจนปรินิพานได้ทําความดีต่อได้มีเยอะมากทเท ว, วดาทุกภพเลยได้หมดอ่ะนะลูกคนถามพระอาจารย์ค่ะโ พ, พธิสัตว์เป็นปุถุชนนั่นแหละที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า แล้วตอนนี้คือเคยได้ยินคำคำหนึ่งนะคะบอกว่าไอน์สไตน์เป็นพระโพธิสัตว์แต่นี่สงสัยว่าคนพระพุทธเจ้าพูดหรือเปล่าหรือว่าคนต่างศาสนาพระพุทธเจ้าพูดไหมไม่ได้พูดไม่พูดพระพุทธเจ้าไม่รู้จักไอน์สไตน์แน่นอนแอกว่าพระพุทธเจ้าคำสาวกคําสาวกอย่าไปยิ้มหูลงฟันนะโยนจริงโยนจริอาจารย์ขอรบกวนอีกนิดหนึ่งคือคนต่างศาสนาเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์หรือเป็นโสดาบันอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ รู้จักมรดแปนไหมล่ะเอามรดแปนเป็นตัววัดนะเออที่ข้างหลังเมื่อกี้ข้างหลังใครเนาะค่ะกับกับเรียนถามค่ะกับเรียนถรมเรื่องการบวชอุปสมบทอีกครั้งอะค่ะพอดียังไม่ค่อยเคลียร์สักเาไหร่อะอ่ะเมื่อเช้านี้เปิดเปิดดูอินเทอร์เน็ตเรื่องการบวชเนี่ยหาหาคําบวชในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่มีแต่พ่อโนพิกต อปสมบเนี่ยปรากฏว่ามันมีโชว์ออกมาหนูก็ลองอ่านดูคร่าวๆก็เลยไปเห็นข้อความหนึ่งที่ว่าผู้ที่จะบวชตรงตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยจะต้องศึกษาธรรมิกขาในธรรมหเป็นเวลาสองปีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าบุคคลใดที่ไม่มีการศึกษาธรรมก่อนเป็นเวลาสองปีจะต้องปรับอาบัต อาทีนี้หนูก็มาถามข้อความเมื่อกี้นี้ที่ว่าการบวชอุปสมบทที่ถูกต้องตามพุทธวจนะเนี่ยซึ่งบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยเป็นสนนามเณรทั้งนั้นใช่ไหมคะที่จะมาก็คือช่วงปิดเทอมเนี่ยก็คือ1เดือนทั้งๆ ท, ที่เราเนี่ยก็จะมีคนมาบอกบุญว่าบวชพระบวชนนอะไรในช่วงเนี้แล้วเราเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันไม่ตรงตามพุทธวจนะ แล้วเราจะจะทำยังไงจะเคลียเราจะเข้าใจตามตามนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องตามที่เราคิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าค่าใชจ่ายในการจัดบวชเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยหนึ่งพันบ้างสองพันบ้างสามพันบ้างซึ่งดูแล้วมันเยอะแล้วช่วงระยะเวลาที่หนึ่งเดือนแล้วบาทรจีวรนทั้งหลายที่พุทธดัตศรีนิกชนทุกคนเนี่ยร่วมกันจัดบวชเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนแล้ว แทนที่อย่างเช่นว่าเราจัดคอร์สปฏิบัติเป็นเวลาหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้นะคะใส่ชุดขาวโดยที่ไม่มีการชิ้นเืิงตรงนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมคะช่วยช่วยเคลียร์ให้หน่อยครับเพราะว่าที่พรฒั์รันเสียงธรรมเนี่ยก็มีการจัดบวชเราก็เลยอยากจะทำให้แบบตรงตามพุทธวจนะจะได้เพื่อความเคลียร์และก็เข้าใจตรงตรงถูกต้องตามที่ท่านบัญญัติไว้ะคะ่ะ เรื่องทำหประ ก, การรักษาสองปีอะไรที่โยมบอกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิกขานาเรื่องของผู้ที่จะเป็นภิกษุณีมันนามาปนกันแล้วเนาะเพราะนั้นสัมเนลีเมื่อเป็นสัมเนรีแล้วเนี่ยจะมาบวชเป็นภิกษุณียังไม่สามารถบวชได้ต้องเป็นสิกขานาก่อนก็คือรักษาศีลหนะครบท้งสองปีบริบูรณ์นะถึงจะ มาเป็นภิกษุณีได้และภิกษุณีต้องบวชในสงฆ์องฝ่ายคือบวช จ, จากภิกษุสงฆ์และบวชจากภิกษุสงฆ์นะเป็นอย่างนี้ส่วนรายละเอียดในการบวชเนี่ยบวชก็คืออุปสมบทนั่นเองนะหรือเขาเรียกว่าเรียกผู้นั้นว่าอุปสมบันผู้ที่ไม่ใช้นักบวชเรียกอนุปสมบันจริงๆแล้วนักบวชในพุทธศาสนามีแค่2คือภิกษุกับภิกษุณี นะสั ม, มนเนนสั ม, มนเนรีไม่ใช่นักบวชน ะ, ะแม่ชีแม่ชีนี้ไม่ไม่มีในภาษานี้ก็คือจริงๆแม่ชีคืออุบาสิกาผู้ประพฤติปรมจันเรียกโอดาตวัสนาข้าัาผู้หญิงผู้นุ่งขาวอยู่ประพฤติปรมจันนะมีตัวอุบาสกวาสิกาก็มีสินห้ากะอุบาสก8ตประการ ส่วนเรื่องบทก็จะมีแต่ภิกษุกับภิกษุณีเท่านั้นนะก็มีกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ในการอุปสมบทส่วนสามเณรไม่มีอะไรมากรักษาศีลสิบไปก็หมดแล้วให้เขาสมาทานตั้งใจรักษาศนะิขาบทเนี่ยสิบประการก็พอแล้วนะสามเณรง่ายๆเพราะยังถือว่าเป็นอนุปสมบทผู้ที่ไม่ใช่นักบวช เป็นการบรรพชาสั ม, มนเนาเนี่ยก็รายละเอียดมีในอริวินัยอ่ะโยมลองหาอ่านอริวินัยได้คำถามหมดแล้วมะพระอาจารย์แล้วค่ะกับ น, นักการแล้วค่ะโยมขอถามคำถามซึ่งอาจจะ ไม่ไม่เคยศึกษาพุทธวจนะนะคะแต่ว่าอยากทราบว่ามีในพุทธวจนะหรือเปล่าในเรื่องของการให้ทารักษาศีแล้วก็การภาวนาแล้วก็สามารถที่จะแผ่ส่วนกุศลเหล่านั้นเนี่ยไปให้บุคคลต่างๆได้หรือไม่ในพุทธวจนะมีบัญญัติไว้หรือไม่เจ้าค่ะมีเรื่องการอุทิศบุญกุศลอย่างที่บอกไว้ในเรื่องทิดอก <c oughs> แล้วก็มีพระสูตรหนึ่งเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ของคารวา่า ที่พระสัสดาให้แบ่ ง, บงเป็น4ส่วนเลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรสองทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายนะสามอันเนี้ยราชปรีช่วยชาตินะเทวตาปรีสงเคราะห์เทวดาเปตปรีสงเคราะห์เปรตนะราชปรีนะลนะแล้วก็สงเคราะห์ญาติพนะีตรงเนี้ยที่ทำบุญให้กับผู้ตายอุทิศให้กับผู้ล่วงรับ แล้วก็ให้แก่สมณพราหมณ์นี่คือสี่ฐานะของการใช้ใจ่ายทรัพย์เรื่องทานนั้นผู้เจ้าตัดไว้เยอะนะที่หาได้อะตอนนี้ประมาณ30กว่าขระสูนรละเกี่ยวกับเรื่องทานอย่างเดียวและทานเป็นพื้นฐานพระองค์ตัดอยู่อันหนึ่งว่าจิตที่ตรณีเกินไปยากที่จะเข้ามรกผลต้องมีจาคะคือการเสียสละและทานบวกกับโสตาปฏียงคศี สองคุณธรรมนี้คือโสดาบันบุคคลเป็นผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานนะและมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสินนั้นเป็นที่รักของพระริเจ้าคือสิ่งที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยโสดาบันแล้ว ก, ก็การแผ่ให้ได้แล้วก็ในการที่มีคาพูดอยู่เรื่อยๆว่า เวลาทํากุศลไรก็จะให้ผู้อื่นอนุโมทนาบุญตามมหาไม่ทราบว่าวในพุทธวจนะนี้มีบัญญัติในเรื่องของการอนุโมทนาไหมคะคำว่าอนุโมทนามีนะคำเนี่ยเราตรวจเช็คหลายอย่างลองไปดูตารางที่ตรวจเช็คพหุคาต่างๆอนุโมทนามีนะเป็นพุทธวจนะ พระองค์กล่าวเกี่ยวกับเรื่องอนุโมทนาเนี่ยว่าการที่เราร่วมอนุโมทนาในกิจการบุญที่คนอื่นได้กระทำเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งบุญด้วยและบุญของผู้ที่กระทำนั้นก็ไม่ได้บกพร่องไปบอกอธิบายไว้เลยยืนยันไว้เลยในบทอนุโมทนาวัดหัวข้อว่ากาเลทัันติสปัญญาวันยูวีธรรมชรา ลองไปอ่านในนี้จะมีการอธิบายเรื่องการอนุโมทนาร่วมกับบุคคลอื่นที่ได้กระทำบุญและบุญของผู้กระทำนั้นไม่ได้พร่องไปนี่คือสิ่งที่เราหามาเยอะแยะเลยสินของพระไม่ได้มี227สินของพระมีมากกว่า 2,400 ข้อ 2,400 กว่าข้อพระต้องรักษาทั้งหมด แต่นำมาสวดแค่หนึ่งอหสิข้อสินพระจะมีสระบบเดี๋ยวค่อยไปดูนะกรวดน้ำไม่มีแ4 0 0 0่พันพระตมาารมขันไม่มี 5,000 ปีผู้เจ้าไม่เคยพูดอารูปฌานผู้เจ้าไม่เคยตรัสตรัสรูปรสัญญาอารูปรสัญญาเจตสิกผู้เจ้าตรัสแค่9คําคำเราไปนั่งเรียนอภิธรรมเจตสิกกันเป็นร้อยดวงนะแต่งขึ้นทั้งนั้นนะ อานิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิถูกแต่งขึ้นนะอาทยวัตถุแสงขึ้นโสรดยานยาณสิบหเครื่องวัดอริบุคคลถูกแต่งขึ้นนะวิปัสสนากรรมฐานผู้เจ้าไม่เคยพูดคำนี้นะคำว่ากรรมฐานแปลว่าฐานะแห่งการงานการไถการค้าการขายเป็นการงานของคารวะไม่เกี่ยวกับการภาวนาสมถะพระองค์ใช้คำว่าสมถกะกับวิปัสสนานะ อนุโมทนามีสาธุมีสังฆทานมีบาปมีนรกมีนะป่าปกานางังอกุศลานางังบาอาุศนนลนรกใช้คำว่านิระยังนรกเขากาดพระอาจารย์ค่ะเอเอเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์พูดถึงเออยถาวรีวหาเนี่ยค่ะอือเป็นคำที่แต่งขึ้นมาใหม่แต่ในเล่มเล็ก สิเล่มมนั้นเป็นบทสาธยายทำในนั้นไม่เห็นมีบทอนุโมทนา mm hmm. อยากทราบว่าในพุทธวจนะเนี่ยนะคะมีบทที่อนุโมทนาเป็นยังไงคะ่ะเคยเคยพิมพ์แจกให้แล้วที่ที่วัด น, นนะที่วัดตาลมาเนี่ยพิมพ์แจกบทอนุโมทนาให้โยมทราบนะจะมีประมาณถ้าจะไม่ผิดเก้าพระสูตรเแค่นั้นเอง และตอนนี้ที่วัดก็ใช้อยู่สองพอรอะอ่าร่ซึ่งเป็นพตรที่เหมือนกับที่พระทั้งหลายเขายัางใช้กันบ้านอ่อก็มีเสียบไว้ตรงที่นั่งข้างๆตัอวตมาลาใครไปวัดก็ไปหยิบหยิบออกมาได้นะหรือว่าเออโยมก็บอกพระที่วัดขอให้เออสแกนอนุโมทนาวัดแล้วขอดูหน่อยจริงๆแล้วเคย เคยนำมาแจกหลายครั้งหลายรอบนะอาจจะไม่ได้หยิบกันเนาะอีกนิดนึงค่ะเอออย่างสัพพีติโยก็เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะเห็นว่าเออจะมีการบอกว่ายะถาเนี่ยให้ผีสัพพีนี่ให้คนเพราะนั้นทั้งบทยะถาและสัพพีเราก็ต้องตัดทิ้งไปเลยสาทุกข์เกิขึ้นอมีเพิ่มไหม <c oughs> เอาปลาทุ่ทวมเดี๋ยวข้อมูลล้นสมองอ่าก็คงจะพอดีพอดีเวลาเนาะอ่ะอาเดี๋ยวมีอลไรเ่ิมเต็มนะอ่าก็ขออ่กราบุอนุญาตท่านอาจารย์นะครับก็คงจ ะ, ะในวันนี้ก็คงจะได้อ่รับความรู้ โดยเฉพาะพุทธวัฒนะนะครับหนามากแล้ววันนี้พระอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาไปอย่างสูงนะในช่วงนี้ท่านใดที่ประสงค์นะครับจะร่วมบุญพระป่านะครับสร้างที่ดินนะครับกับพระอาจารย์คึกฤทธ์โสธิพโรนะครับถ้าไม่เป็นวันนี้รายละเอียดจะอยู่ทางด้านหลังนะครับขอรายละเอียดนำไปช่วยบอกบุญ นะครับช่วยบอกบุญกันหน่อยนะครับท่านจะสร้างท่านจะซื้อที่ดินตรงข้างวัดจำนวน80ไร่ด้วยกั น, นตารางวาละ3 9 0 0าบาทเพื่อจะถ้าสร้างศูนย์พุทธวัจนะนะต่อไปจะมีพระภิกษุสงฆ์ผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากทึ่ในขณะนี้รองรับไม่พอนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดใครต้องการจะต่อยอดแล้วร่วมบุญพระป่า ที่จะถวายกับาพระอาจารย์คริสต์นะในวันนี้เพื่ อ, อเป็นการประเดิมนะครับอยอดตอนนี้ที่สาธุชนทำม า, าในช่วงเช้านั้นอยู่ที่ตู้นั้น 8,000 บาทนะครับแล้วคุณแม่สินบำรุงสิ น, นพร้อมทั้งบุตรธิดาก็ร่วม1ตารางวา3า0 0บาทก็เป็นเงินห0 0่งพันบาทนะครับแล้วก็คุณพี่ผู้หญิงที่นั่งอยู่ทางด้านหน้านะครับ เดี๋ยวจะถวายนะครับถวายใบภาวนากับพระอาจารย์โดยตรงเลยนะครับให้เราอนุโมทนาสาธุก่อ น, นครับ 1,000 บาทด้วยกั น, นครับเดี๋ยวชื่ออะไรครับผมยังไม่รู้จักชื่อคุณทรายไม่ได้เขียนชื่ อ, อบอกมา อ, าอนุโมทนานครับห่นบาทสาธุาเดี๋ยวเรียนเชิญคุณแม่สินบำรุงสิน ไม่ทราบว่าอยู่ไหมเป็นเจ้าของบ้านลานสิยงธรรมทาบุญหนึ่งตารางวานะครับร่วมกับบุท ธ, ธิดาทุกๆ ท, ท่านนะครับเดี๋ยวมาถวายใบภาวนานอยอดตอนนี้แล้วช่วงเมื่อสักครู่นี้มีญาติธรรมได้ต่อยอดมาเป็นจำนวนเงินอีกหนึ่งมืนบาทนะครับรวมยอดทัพ ป, ป่าสร้างที่ดินถวาย ผ้าจา์ในวันนี้เป็นจำนวนเงินตอนนี้ก็คือ 23, <000. S 1> เป็นสาม0มื่นนี่เ้าหนะนึ่งหมื่นนะนี่มันสองหมื่นแล้วแล้วนี่อีกหนึ่งหมื่นมันต้องสาม0มื่นสองพันอ่าเป็นยอดประมาณ 30, สา0หมื่นเศษนะครับท่านใดที่มาแล้วยังไม่ได้ทำนะครับ จะร่วมทำส่วนท่านยังไม่พร้อมในวันนี้1กตารางวา2ตารางวานะครับให้ขอรับใบราย ล, ายละเอียดส่วนที่ท่านทนํา1กตารางวาแล้วก็จะมีใบอนุโมทนาวันนี้คุณตุ้ยนะครับได้มาด้วยนำใบอนุโมทนาของทางวัดซื้อที่ดินร่วมกับพระอาจารย์นะครับท่านบอกว่าตอนนี้มีผู้ที่ดูในเว็บของท่านประมาณ6000 000, 6, 000 น6นา0หรือ 60,000 ปรบาทท่านนะครับร่วมคนละหนึ่งตารางวาท่านบอกฮะให้ใช้เวลาเก็1ปีนาถึงปีหน้านะครับแล้วเราก็จะมาร่วมถวายนะครับพระอาจารย์ท่านจะมาบ้านรานเสียงธรรมของเราอีกครั้งวันศุกร์ที่27สเมษายนหนาเดี๋ยวช่วงเวลานั้นจะระบุเพราะว่าท่านจะมาอบรมหรืออไรไ่งต่างให้กับสามเณรที่บวชภาคฤดูร้อนนะครับเมื่อกี้มีญาติรม าถามว่าบทนเนนตรงตามพุทธวจนะไหมจะได้อะไรไว้คุ้มค่าหรือเปล่าผมกล้าตอบนะกับสาธุชนทุกหลายว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าศึกษาบทของพุทธวจนะโดยมีพระอาจารย์คึกฤทธนะาท่านเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำให้และท่านจะมาอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่27เนะครับเมษายนนะครับอตอนนี้ยอด สามหม่นสี่พับาทนะครับท่านใดจะต่อก็อาพี่มาเลยครับต่อเท่าไหรนะครับพี่อรพันหนึ่งตารางวาอนุโมทนาสาธุเดี๋ยวมาถวายใบภาวนาเลยครับขอใบภาวนาให้พี่ถวายกับพระอาจารย์ถวายกับพระอาจารย์ด้วยตดีนะครับใครต้องการจะถวายหนึ่งตารางวานะครับถวายกับพระอาจารย์ ได้โดยตรงในวันนี้นะครับขอใบภาวนาเลยนะครับมีญาติธรรมถามอยู่เรื่องหนึ่งว่าการที่เราถวายภาวนากับพระพิสุสงฆ์เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามีบางครูบาอาจารย์หรือว่ามีพัตไตปิดกที่เอามาทั้งตัวพั ส, สดุและอากขถาบอกว่าสรุปเลยว่าพระพิสุสงฆ์จะรับเงินทองก็ดีจะมีเจตน า, าต่างๆหรืออะไรต่างด้ดีนี่คื อ, อผิด หรืออะไรต่างตามพระวินัยนับแต่ได้ฟังเดี๋ยวพระอาจารย์ช่วยสรุปตรงนี้ทีหนึ่งว่าเรามีวิธีการอย่างที่ผมก็ทำอยู่อย่างนี้คือถูกต้องหรือเปล่านะครับอขอกราบอนุญาตคือพระวินัยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองของพลาเนี่ย <c oughs> จะมีนิสกีปัจจิตีอยู่สี่ข้อนะสามข้อสั้นๆก็คืออั น, นึภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองกับเงินทองเงินนะ หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกยาปาจิตตีถ้าภิกษุรับนะให้รับยินดีในการที่เขาเก็บไว้ให้จะถูกปรับอ ბ ัติปาจิตตีเงินทองจะเป็นนิสสกีต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์อีกประสูตรหนึ่งจะบอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดถึงการซื้อและการขายมีประการต่างๆเป็นนิสสกยาปาจิตตีอีกประสูตรหนึ่งจะบอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดถึงการแลกเปลี่ยนด้วยลูปิยะมีประการต่างๆเป็นนิสสกยาปาจิตตี อีกประสูตรหนึ่งเป็นการเกี่ยวข้องกับเงินทองที่พระองค์อธิบายไว้ว่าพิสูจน์จะเกี่ยวข้องกับเงินทองอย่างไรนะประสูตรนี้ค่อนข้างยาวมากนะก็คือมีพระราชาเนี่ยนะส่งธูดแล้วเอาเงินให้ธูดเพื่อไปเอาไปทําจีวรให้กับพิสุนเมื่อธูดนี้มาถึงพิสูจน์แล้วธูดนี้ก็ ดันเอาเงินให้กับพิสูจโดยตรงไม่ไปทำจีวรให้พิสุเมื่อทูตยื่นเงินมาให้ก็จะบอกว่าพวกเราเนี่ยหาได้รับทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของคุณโดยการไม่รับเงินแต่รับจีวรจากนั้นเนี่ยทูตก็ถามว่าก็ใครๆผู้เป็นวั ย, ยาพัชกรของท่านมีหรือมีไหมที่ เป็นผู้ทํากิจุระแทนให้ท่านได้พิสูจต้องการจีวรนไหมถ้าต้องการอีกพระสูตรหนึ่งจะเป็นเรื่องของเมธนาการุญาตว่ามีอยู่ที่ข้บาบดีเนี่ย<_ <K> _ <L> เขามีความศรัทธาเรื่อมใสเ <_ S 1> ขามอบเงินทองนั้นไว้ให้กับ<_ <K> _ <L> กับปปยะการก ค, คือบุคคลที่สมควรให้พิสูจยินดีกับพิยพันธ์จากกัปปยะการกนั้นได้ของที่สมควรจากบุคคลผู้สมควรนั้นได้นะ นี่ก็เป็นเรื่องการเกี่ยวข้องกับเงินทองก็หมดละมีแค่นี้นะเพราะนั้นเวลาโยมจะมอบเงินทองให้มอบด้วยวาจาก็ได้มอบด้วยกายก็ได้ใช่ไหมมอบด้วยกายก็เขียนใบแทนเพราะว่าเงินทองส่งโดยตรงพระรับโดยตรงจะถูกปรับบัติปจจิตีนะพระจึงรับทราบเจตนาของเราได้นะแต่เงินทองนั้นเอาไปให้ไว้กับว ย, ยาวจกรผู้ทากิจธุระแทนสง นะและเวลาภิกษุต้องการอะไรให้ไปทวงกับวิ ย, ยาพัชกรการทวงด้วยวาจาได้ไม่เกิน3ามผลถ้าเร็จได้ก็ดีไปถ้าไม่สําเร็จให้ไปทวงด้วยกายคือยืนนิ่งต่อหน้าไม่เกิน6ครั้งให้เขานึกได้เองนะว่าเขาควรจะทํำอะไรให้นะยืนนิ่ง6ครั้งแล้วยังไม่สําเร็จประโยชน์ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วถ้าภิกษุพยายามให้ยิ่ง ขึ้นไปกว่านั้นยังจีวรนั้นให้สําเร็จปรับอาบัตินิสกีปัจจิตตีกับพิสูตพิสูตต้องอาบัติปัจจิตตีผ้าที่ได้มาของที่ได้มาเป็นนิสกีต้องสละทิง้งไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งที่พิสูตทําได้ก็คือกลับไปบอกเจ้าของเงินว่าเงินทองที่ให้มาฝากวายาววิกรนั้นไม่สําเร็จประโยชน์ให้คุณมาทวงเอาทรัพย์ของท่านคืนไปทรัพย์ของท่านอย่าได้จีพายเสีย เ, เลยนี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้นนะ ให้ฆราวาสเข้าไปทุ่มกันเองนะละไม่เกี่ยวเนอาเป็นอย่างนี้อ่าเป็นอันเข้าใจนะครับอ่าเชิญพี่อรพันธ์นะครับนะอ่คุณแม่เขียนเขียนยอดปัจจัยให้คุณแม่สินบำรุงสินอ่าถวายกับพระอาจารย์นะฮะนท่านใดที่จะร่วมนะถ้าเกิดไม่พร้อมในวันนี้ก็เสดได้ ยืนได้อ ะ, อะล้อนุมทนาสาธุนะครับอาสงส่งกับมือได้เลยครับส่งกับมือได้เลยสาธุอารับกับมือเลยน่าเดี๋ยวเรื่องเรื่องกับมือนี่ก็เหมือนกันไม่ไม่ไ ม, ไม่คิดท่านพูดไปอย่างนะ อพระอาจารย์ช่วยเดี๋ยวโยมบอกเอ้าอะไรพระรับกับมือได้ด้วยเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยอาบัตรหรือเปล่าเดี๋ยวท่านจะให้พระอาจารย์เนี่ย<ม>ทุกทุกช็อตเรียกว่าทุกช็อตท่านจะได้ทาําความเข้าใจการมีมนต์ทำความเข้าใจใหม่เรื่อง ก, การให้ของอุเจ้าตรัสในอคอีวินัยปิดกเล่มแปดบอกเอาบาลีอุบาลีเขาให้ด้วยกายเนี่ยเรารับด้วยกายกายกับกายนะเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยของนึ่งด้วยกาย รับไม่ถึงเอาไม้เอาอะไรอะไรผ้าเพื่ออะไรมาต่อก็ได้นะโยมอยู่คนละฝั่งคลองอยากจะให้อาหารมินตบาทอาตมานะอาตมารับไม่ถึงเอาไม้ทับพีอันยาวๆต่อไปเอาวานท่งนี้ของเนื่องด้วยกายแล้วดึงกลับมาสําเร็จการให้นะเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายเขาก็ให้ไม่ถึงอาตมาก็รับด้วยกายได้เขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายเขาก็ให้ไม่ถึง เราก็รับเรื่องของเนื่อไดกายเราก็เราก็รกับไม่ถึงเราก็ใช้ของเนื่อไดกายต่อได้นะ่ะสำเร็จการให้เหมือนกันอย่างที่หโยนให้นะเช่นไปบินตบาตอยู่คนละฝั่งคลองโยมก็โยนมาแต่มาก็บาดรับปั๊บอ่านะสำเร็จประโยชน์การให้เหมือนกันนะไม่ถือว่าเป็นความผิดนะนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ไม่มีความผิดในการรับของมือต่อมือกับมาตุกามนะไม่มีบัญญัติว่าผิด ความผิดอยู่ที่ว่าเป็นสังฆาธิเศษ <c oughs> ข้อที่บอกว่าอันหนึ่งภิกษุดใดนะกำหนัดแล้วมีจิตแปรปวนแล้วถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคามจับมือก็ตามจับช่องผมก็ตามลูกความอวัยวะอันใดหนึ่งก็ตามเป็นสังฆาธิเศษรับเนี่ยไปทําผิดอย่างนั้นไหมไม่ไม่เกี่ยวเลยมีข้อเดียวเท่านั้นที่เป็นอาบัตินะที่เป็นอาบัติหนักที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยวาจาต้องอยู่กรรมหรือประพฤติมานะ และออกกับพาน <c oughs> มีสามขั้นตอนเพราะฉะนั้นอย่าไปเติมแต่งนะทำให้การใช้ชีวิตยากขึ้นนะอาจจะยื่นของก็เก้เก๊งกลหดหดเข้าเขอยู่นะจะไม่รู้จะทํายังไงปวดหัวตายนะยื่นมาก็รับไปยื่นมารับไปนะยองยื่นมาปุ๊บและดูสั ต, ต บ, บุรุษนะการให้ทานของคนดีให้ด้วยมือของตนเห็นว่านะอ่าเพราะฉะนั้นการให้ด้วยมือของตนนะ อันนี้มีความหมายนะโยมจะได้นิสงฆ์เพิ่มขึ้นตรงนี้นั้นคนดีจะให้ด้วยมือของตนอาศัตรูหลุษจะไม่ให้ด้วยมือของตนกองวางเอาหยิบเอาเองนี่อาศัตรูหลุษนะเพราะนั้นเราต้องน้อมให้ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่จะพึงมาถึงเราให้นี่เป็นทานของสัตรูหลุษคนดี <c oughs> <c oughs> มีปริพายชกอยู่คน มันมีมันมีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวพันกับตรงนี้นิดหน่อยนะก็คืออคิเวสณะเนี่ยเขาเป็นคนเนี่ยล้มวาทะของคนทั่วทั่วไปเลยแล้วเขาจะล้มวาทะของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เรียกเจ้าลิศวีห้าร้อยมาไปเป็นพยานนะวันนี้แหละเขาจะล้มวาทะผู้เจ้าให้ได้เพราะระดับเขาเนี่ยนะโอ้วาทะกับใครแล้วเหงื่อต้องหยด แม้เสาหินยังต้องสั่นระลัวเพราะคำพูดของเขาอืมพอมาเจอผู้เจ้าโต้กันไปโต้กันมาปรากฏว่าอคเวิสณะเงือยดตอบไม่ได้นะผลที่สุดนะก็ยอมพระพุทธเจ้าพอยอมพระเจ้าเสร็จเขาก็บอ ก, า 500, บอกเจ้าลิชวีห้าร้อยบอกเจ้าลิชวีเอาทานที่เตรียมมาเนี่ยให้กับเรา อคีวีสนะแล้วอคีวีสนะก็เอาทานเนี้ยให้ต่อกับผู้เจ้าแล้วก็บอกกับผู้เจ้าว่าขอเจ้าฤทธิวัฏถะฤชวีเนี่ยนะทั้งห้าร้อเนี่ยจงได้นิสง์เหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้ทํากับผู้เจ้าผู้เจ้าบอกไม่หรอกเจ้าวัฏถะฤชวีจะได้นิสงเหมือนกับที่ให้กับเจ้าผู้มีความโลภโกรธหลงอยู่แต่เจ้าเนี่ยจะได้นิสง์เท่ากับให้กับผู้ที่หมดความโลภโกรธหลงเช่นเราแล้วโอ้โห เฉือนกันหน่อยเดียนะแทนที่จะให้กับผู้เจ้าโดยตรงอยู่กันต่อหน้าไม่ให้ดันไปให้ลูกชิ้นไงให้กับอคคีเวสนะและอคคีเวสนะเอาไปให้ผู้เจ้าต่อเจอพระสูนนี้เป็นไง mm. เห็นนะอ่าฝากกันตายฝากกันมา <c oughs> เนี่ยนะอืมนี่ก็เลยเป็นเป็นมุมอีกมุมหนึ่งให้ให้เราได้ทราบนะอ่าเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีความผิดอะไรครับนะรับต่อไปเลยยื่นมารับไปนะ ครับพระอาจารย์เรื่องเรื่องอาหารอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะปัจจัยเงินทองใช่ใช่เว้นปัจจัยเงินทองอย่างเดียวสาธุพระอาจารย์อีกเรื่องนึงก็คือ อ, อมีญาติโยมเนี่ยถวายไม่ได้อาจจะภาวนาด้วยปากว่าอาหารอยู่ตรงน ون, ู้นอให้สงเลยนะอย่างนี้ก็ได้ครับสมัยอาจารย์ให้เหมือนกันคือให้ให้โดวยวาจาก็ได้ให้ด้วยกายก็ได้ ถ้าของมันเยอะของมันใหญ่นะจะยกบ้านเนี้สักหลังเนี่ยอุ้มบ้านไปให้ได้ไหมไม่ได้นะอ่าเพราะนั้นแต่ก่อนเขาจะถวายที่ดินถวายอะไรเนี่ยพระเจ้าพิมิสารถวายที่ดินเนี้ยหรืออนาถาบินทิ่กาเสตีถวายที่ดินเชตวันนะให้กับพระพุทธเจ้าเนี้ยนะก็ประกาศเนี่ยนะประกาศขอคือให้ด้วยวาจาเนี่ยมอบให้กับพระพุทธเจ้า อถวายต่อเลยครับเชิญพี่จารุณีนะครับหนึ่งตาลังวาอนุโมทนาสาธุอคร อ, อบครัวศรีเทวลิศอาและครอบครัวดวงชอุ่มนะครับออนุโมทนาถวายหนึ่งตาลังวานะครับสาธุเขียนใบตรุดยอดเลยเดี๋ยวเซถวายเอง สรุปยอดนะมีท่านใดะจะถวายอีกไหมครับผมจะได้ถวายเป็นอยอดรวมใหญ่นะครับจะได้อนุโมทนาก่อนที่กำลังรวมยอดกำลังจะจบในวันนี้พระอาจารย์ทุกวันทุกค่ำวันเสาร์นะครับะจะมีปฏิบัติธรรมขึ้นที่วัดนาป่าพงตั้งแต่6กโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่ง ท่านใดที่เดินทางไปวัดนาป่าพงไม่ได้นะพี่ใครไปอยู่เลยเห็นไหมนะเป็นสิทธ์บ้านลานเสียงธรรมแต่ไปอยู่วัดนาป่าพงแล้วนะเดี๋ยวนีนะ้ไปช่วยย้อมผ้าดีวรให้พระจารย์ไปแล้ววันนี้หกโมงครึ่งถึงสามทุ่มนะครับท่านบัญญัติท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนาป่าพงท่านใดที่ดูไม่ได้วันนี้ที่บ้านลานเสียงธรรมก็จะมีการถ่ายทอดสด นะอาจจะเป็นทูเวย์นะครับกำลังท ด, ทดลองอยู่นะครับเราอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะสอบถามนะคำ ถ, ถามสดๆกับพระอาจารย์ได้กำลังลองอยู่ลองในช่วงนั้นปรากฏว่าสัญญาณที่วัดอาปะพงเนี่ยดีเลยไปนิดนึงนะกำลังให้แก้อยู่ว่าถ้าเกิดต่อเป็นสายตรงเลยไม่ใช่วายฟาเนี่ยจะรวดเร็วไหมแต่การออกอากาศที่เป็นการถ่ายทอดสดทางเดียวเนี่ยที่นี่ชัดเจนนะครับแล้ววันนี้ หก uh, โมงครึ่งนะหรือประมาณหนึ่งทุ่มนะเราก็จะมีการถ่ายทอดฟังพุทธวจนะจากพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะในทุกๆวันเสาร์นะทุกๆวันเสาร์นะเป็นการถ่ายทอดสดต่อไปเราก็จะทำระบบที่เป็น 2-way uh, video conference ให้ญาติธรรมที่เดินทางไปลำบากในช่วงค่ำนะก็มามาที่นี่นะครับมาสอบถามมาคุยนะ ก, นกันในลักษณะ น, นี้ นะครับแล้วก็ในวันศุกร์ที่ยี่บเจ็ดเมษายนนะเป็นช่วงที่เราบวชเนรภาคก็ดูร้อนตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่ยี่สิบเก้าท่านจะเมตตามาให้ในวันที่ยี่สิบเจ็ดนะแต่ช่วงเวลานั้นนะครับก็คงจะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่สิงถวายนะครับคุณแม่สิงถวายยอด ให้กับพระอาจารย์นะครับเป็นยอดทั้งหมดสี่0มื่นหกพันยอดรวมทั้งหมดสี่หมื่นหกพันยี่สิบบาทนะครับโอ๋ไหลาตารางวาอยู่เนะ น, นาะอนุโมทนาสาธุนะก็คงจะเรียบร้อยแล้วนะครับนะลบกวนเวลาของพระอาจารย์ เอามากณนะโอกาสนี้ทางบ้านลางเสียงธรรมก็ต้องอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะเป็นอย่างสูงที่มาให้ความจริงนะสมมุติบัญญัติที่เป็นจริงตามคำพระศ า, าสดานะที่ทําให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมได้รู้แจ้งนะครับจุดประกายให้เรากระทาในสิ่งที่ถูกต้องนะตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านกล่าวคําอนุโมทนา ให้กับพระอาจารย์จงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นล่มโปรล่มใซให้กับสิทยินุสิตตลอดไปก็ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาให้กับพระอาจารย์3ครั้งพร้อมกันส า, สาธุสาธุสาธุอนุโมทามอิอันต่อมาก็ข อ, อให้เหตุปัจจัยที่พวกเราได้กระทำในวันนี้จะเป็นทานบารมีก็ตาม สินบา ร, รมีสมาธิบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเรามีความเจริญงอกงามในธรรมของพระตาตาคตมีความเจริญลุ่งหนึ่งในชีวิตคิดบังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดขอยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาพตการอัในใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเชอญ